ต่อจากที่ไปเป็นการอรมณ์ธรรชาเรื่องพบชาติพิสดารโดยพ่อท่านผู้ที่รักเมื่อวันที่28กรกฎาคม2529นะพุทธสถานสติอโศกเขาเชิญท่านติตาท่านฟังได้นะบัดนี้ ตอนจบร ต, ตอนต้นนะของสมณพราหมณ์วรที่8ปมาบรรยายจบไปสูตรหนึ่งแล้วก็เอาสูตรอันตรปรยานเป็นสูตรที่9มาม า, ม า, ม, ามาอ่านต่อกันแล้วก็ไปเน้นตัวปลายของอันตรปรยานเน้นถึงจุดที่ว่าคนเราจะปฏิบัติธรรมนั้นนะถ้าใครไม่รู้อะไรมันก็ต้องรู้ จะรู้ได้ถ้าเราไม่ใช่ปัจเจกบุคคลเราเป็นผู้สแสวงหาธรรมดาก็ต้องสแสวงหาครูปัจเจกแนละท่านผู้รู้ละ่ะทีนี้เราไม่ใช่ปัจเจกอย่าไปหลงตัวว่าเป็นปัจเจกกันง่ายๆเมื่อไม่ใช่ปัจเจกบุคคลเราก็ต้องสแสวงหาครูนี่เป็นเรื่องที่จะต้องต่อนเนื่องกันต้องถ่ายทอดที่จริงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ถ้าเป็นสยามภู เป็นปัจเจกยิ่งกว่าปัจเจกคือตัตสรุ่เองโดยไม่มีใครเป็นครูบาอาจารย์จริงๆนั่นน่ะและ้วไอ้สิ่งที่ท่านตรัสรุนั่นน่ะคนในสมัยนั้นๆเนี่ยไม่รู้เรื่องด้วยเลยจริงๆท่านตัสรูุ้ในเรื่องที่ท่านตัดสรุน่นะมันเป็นเรื่องพิเศษเป็นเรื่องที่มหาสัจรจั์ยิ่งใหญ่ ที่ศาสดาหรือผู้อื่นๆผู้รู้ในตอนนั้นไม่รู้หรอกล ง, ลงรู้ไม่ได้เข้าใจไม่ถึงหรอกที่อาตมาว่านี่นะเข้าใจไม่ถึงหรือไม่รู้นี่นะอาตมาเองอาตมาเป็นแต่เพียงเป็นแต่เพียงเอาสิ่งที่อาตมามีเนี่ยและอาตมารู้อยู่ของอาตมานี่นะเป็นสิ่งจริงไม่ใช่เดาอาตมาก็เห็นว่าขนาดอาตมาเป็นโพธิสัตว์แค่นี้ มีสิ่งที่อาตมารู้อยู่เนี่ยซึ่งอาตมารู้นี่อาตมารู้เลยว่าอาตมารู้เนี่ยแม้ขณะนี้นี่นะไม่ต้องพูดอะไรไปไกลคนที่รู้อยู่ขณะนี้ผู้รู้อยู่ในวงการขณะนี้ไม่ต้องเอาไหนเอาแค่นี้ในวงการประเทศไทยในวงการศาสนานี่นะอาตมารู้สิ่งที่อาตมารู้นี่อาตมารู้อยู่จริงๆนะว่าที่อาตมารู้นี่เขาไม่รู้กันไม่ต้องถึงขั้นพระพุทธมาสัมพุทธเจ้าหรอก อาตมาพูดนี้ไม่ใช่เดาแต่อาตมามีสิ่งที่อาตมานี่เป็นรากฐานเป็นของรองรับอาตมายังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าอาตมายังไม่ได้เป็นสยามูยังไม่รู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านรู้นนรู้ยิ่งจริงๆมันเป็นสิ่งรู้ที่ใครนึกไม่ถึงเป็นสิ่งวิเศษเป็นสูตรหรือเป็นทฤษฎีหรือว่าเป็นสัจจะเป็นสาระสัจจะที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครรู้ ในยุคการนั้นเทวดาเจ้าท่านตรัสรู้นะไม่เคย ร, รู้อัตมาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องมรรคองแปดไม่รู้จริงๆเขาไม่รู้อิโนโออเนเลยถึงแม้จะมีภาษาคาว่ามรรคองแปดอยู่ก็ตามแต่สมัยพระเจ้าเน่ยภาษามรรคองแปดก็ไม่มีแล้วไม่มีตัวหนังสือภาษาบัญญัติมันไม่รู้เรื่องมันลืมกันไปหมดแล้วมันลบเลือนไปหมดแล้วสมัยนี้แม้จะมีภาษาคาว่ามรรคองแปดอย่างนี้เป็นต้นอัตมารู้อยู่ว่าอัตมารู้มรรคองแปดเนี่ยไม่เหมือน อาจารย์บรรดาอาจารย์ใหญ่ๆขนาดไหนก็จะจบปรเรียน8ปดมาให้จบประเรียน9ก้าสองครั้งก็ตามแล้วจะมีมากกว่านั้นที่จะเรียนอยู่ขนาดนี้อาตมารู้อยู่อาตมานี่รู้ที่รู้ที่เขาไม่รู้อาตมารู้นี่อาตมารู้อยู่ว่าเขาไม่รู้แล้วอาตมารู้นี่ไม่เหมือนเขารู้เพรา ะ, ะนั้นอาตมาไม่แปลกอะไรนักหนาหรอกที่เขาเองเขามาโต้ต้านอาตมาและอาตมาก็ไม่ได้ออกไปจากสถาบันที่เขาเรียนกันมีผู้รับรอง มีอะไรอะไรเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอาตมาไม่แปลกหรอกนะอาตมาไม่ไม่ไม่สงสัยอะไรรู้อยู่จะเป็นอย่างนี้อาตมาก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วอาตมารู้อันที่อาตมารู้นะอาตมารู้ถ้าพูดออกไปแล้วเหมือนอาตมานี่มันยิ่งใหญ่พูดออกไปแล้วเหมือนอาตมานี่พูดอะไรที่มันแหมยกตัวยกตนอวดตัวอวดตนพยองมันเป็นเรื่องพยองมากอาตมาก็ไม่ ไม่พยายามพูดอะไรมากมายในเรื่องเหล่านี้อาตมาได้แต่เคยพูดจาได้ว่าพูดกับพวกคุณเนี่ยพวกว่าเอานะหน้าคบพาอาตมาไป น, น, นานๆแล้วคุณจะรู้ว่าอาตมาเป็นใครอาตมาเคยพูดอยู่แต่อย่างนี้คล้ายๆแค่นี้ขณะนี้อาตมาก็ว่าพูดมันก็พยองไม่ใช่เล่นอยู่แล้วละ่ะก็พูดไปอย่างนั้ น, นแม้แต่คำว่ามรคงแปที่อาตมาว่ามันยิ่งใหญ่ว่ารู้นี่นะมันไม่ใช่ธรรมดาหรอก สยังอภิญญารู้ยิ่งในตนเองนะสยังอภิญญาแม้แต่ในอันนี้ที่ท่านใช้ในท่านก็ใช้ว่ารู้ยิ่งในตนเองในสูตรที่เรามาใช้เนี่ยถ้าผู้ใดไม่รู้ยิ่งรู้สยังอภิญญาด้วยปัญญารู้ยิ่งด้วยตนเองนะมีตัวสยังนี่แหละมีตัวอภิญญาอภิญญาเป็นความรู้สยัง ค, ค, คือตัวเอง อันรู้ได้โดยตนเองเนี่ยมันรู้ของตัวเองไอของตัวเองมีและของตัวเองรู้รไอของตัวเองไม่ใช่ไปตามคนอื่นมารู้สังสมสยังอภิญญานี่แหละขึ้นเป็นปัจเจกพวกคุณก็สังสมสังสมสยังอภิญญาแต่อภิญญามันคนะระดับเท่านั้นเองระดับในของเราจนกะทําเป็นของตัวเองสยังอภิญญาได้จริงจริงมันเป็นของจริงไปมันก็จะ เป็นรอบรอๆรอบไปแล้วก็เป็นสยังอภบัญญาที่เป็นปัจเจกยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นพอเป็นปัจเจกกับพุทธาอย่งขึ้นถึงจะเป็นสยัมภูอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเองจริงๆแต่ละพระองค์ท่านก็ไม่ได้รู้ของท่านมาเองว่ากันจริงจริงนะนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็รู้มาจากพระพุทธเจ้าองค์กรกรกรกรกรกรกรู้มาจากครูตั้งแต่เริ่มแรกยังไม่พบพระพุทธเจ้าก็เหมือนพวกคุณเนี่ยยังไม่พบพระพุทธเจ้าก็รู้จากครูคนอื่นๆก่อน พอได้รู้จักครูคนอื่นๆแล้วก็ศึกษาไปชาติแล้วชาติเล่าก็ไล่เลียงไปจนกระทั่งไปเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงจนกระทั่งไปเป็นปัจเจกจนกระทั่งไล่เลียงไปก็ไปพบพระพุทธเจ้าอีกไม่รู้ตั้งกี่องค์กว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้านั่นนะพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์พบพระพุทธเจ้ามาไม่รู้กี่พระองค์ไม่ได้มาพบพระพุทธเจ้าองค์เดียวด้วยซ้าไปนะนานนะก่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ย พระพุทธเจ้าจะอุบัติแต่และองค์ก็ไม่ใช่เวลาอั น, อ น, อนใกล้ๆ ก, กันสั้นๆไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะอุบัติแต่และพระองค์ก็นานแล้วคิดดูซิว่าผู้ที่จะเป็นเป็ น, ปนพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปต้องพบพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์เดียวก็เรียนมาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆต่อๆสืบเนื่องกันมาทั้งนั้นที่จริงไม่ใช่รู้มาเองเหรอกแต่แต่และชาติแต่และชาติมันสั่งสมกันจนกระทั่งไม่รู้จะพูดยังไงกับคุณ มันแต่ละชาติแต่ละชาติจนกระทั่งท่านเป็นปัจเจกอ่าท่านก็ช่วยตนเองพรพร ะ, ร, ะระพุทธเจ้าเป็นพระบริษัทธผ่านมาจนพร ะ, ระพุทธเจ้าหลายพระองค์จนกระทั่งผ่านไปจนกระทั่งช่วยตนเองจนกระทั่งก็ถึงวาระที่ท่านเป็นพระพุทここธเจ้าเสเองก็เวียนแล้วเวียนเล่าเป็นโพรพิษัตวที่เกิดมาไม่ต้องพร ะ, ระพุทธเจ้าหรอกแต่ก็มาฝึกตนมาหัดเป็นครูฝึกเป็นเป็นครูผู้ออกฝึกน่ยออกภาคฝึกเป็นครูเสเอง ก็ออกฝึกเองครูไม่มีตอนใหม่ๆอาจจะมีครูพี่เลี้ยงตอนหลังๆไม่มีครูพี่เลี้ยงหราฝึกเองฝึกภาคเองจนกระทั่งตัวเองเป็นครูกันจนแข็งแรงเป็นได้เองจนเป็นครูผู้ใหญ่ครูยิ่งใหญ่ครูครูใหญ่เองอะไรไปเองอย่างนั้นเป็นต้นมันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติอย่างนี้หลักก็หลักธรรมชาติหลักธรรมดาแต่ว่ามันนานจนกระทั่งมันมันไม่ต้องพูดกันอาตมามาพูดกับพวกคุณว่าอาตมาเกิดชาตินี้ไม่มีครู ซึ่งเป็นเรื่องพยองนะเป็นเรื่องที่กล่าวไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่กล่าวพงาดเป็นอาสพิวาจาไม่ใช่เล่นสาหรับแค่อัตมาแต่ก็ต้องขอเอาไปที่อัตมาใช้คำว่าอาสพิวาจาเป็นคำที่กล่าวอวดเก่งอวดกล้าเป็นคำที่กล่าวเป็นคนอวดกล้าอวดเก่งพอสมควรไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะในเรื่อง ปัจเจกหรือเรื่องผู้ที่ยังไม่เป็นปัจเจกก็ขอให้เข้าใจในในิยประการอย่างนี้ด้วยนะแล้วเราก็จะสแสวงหาครูนะถ้าเราอยากจะรู้เราก็ต้องมีครูมีผู้ที่รู้จริงๆเป็นครูจริงๆนะไม่ใช่เป็นครูเล่นๆแต่บางทีเราก็ได้รู้เจอครูเล่นๆมันก็ต้องเจอครูเล่นๆมาก่อนครูยังมีภมูมาทำยังไม่อะไรมันก็คำคำไป ตามภูมิตามฐานเราก็รู้สึกว่าเรามีทิฐิความเห็นอย่างนี้เอ๊ะครูอย่างนี้พูดก็รู้เรื่องแต่ก็รู้เรื่องที่มันเป็นความเห็นใกล้เคียงกันเราก็รู้จากกับครูที่ใกล้เคียงกันมีอะไรคล้ายๆกันชอบเชิงโลกีโลกีหน่อยมันก็ครูที่มีโลกีมีเรื่องตลกมีเรื่องเล่นอะไรใกล้ๆกันมันก็เอออย่างนี้เขาถามนะไปได้กันได้มันก็ค่อยๆไล่กันไปจนกว่าจะมาเจอครูที่เป็นครูห่างมาเป็นโลกรุตระครูที่ สูงที่อะไรดีกว่าจะมาทราบซึ่งกับรถโลกุตระมันก็ต้องเล่นรถแบบโลกียรถกันมาก่อนจนกระทั่งใหญ่สูงมีภูมิพเพิ่มขึ้นจนค่อยๆมาลิ่มๆเล็มๆโลกุตร ะ, ะรถของโลกุตระหน่อยนึงค่ อ, คอยๆติดร ถ, รถโลกุตระแล้วค่อยๆทราบซึ่งมาค่อยๆเป็นมาจนจะไม่มีครูโลกุตระไล่เลี้ยงเข้ามาหาครูตอนแรกก็ต้องครูน้อยๆก่อนจะไปไปได้รับไปถึงก็ไป ติดออกติดใจครูใหญ่ๆไม่ได้หรอกครูใหญ่ๆบางทีพูดก็สูงไม่รู้เรื่องแตะกันไม่ติดมันห่างกันมันไกลกันเหมือนกับเด็กอายุสองขวบสามขวบจะเป็นเล่นกับผู้ใหญ่ที่กาลังโน่นเป็นเจ้าของบริษัทเป็นประธานบริษัทแล้วจะเอาเด็กสองขวบสามขวบไปเป็นเล่นกันสนุกสนุก คนนึงก็พูดถึงเรื่องมหาเศรษฐกิจนู่นนี่ไอเด็ก2ขวบสขวบก็บพูดถึงเรื่องหมกข่าวหมกแกงมันจะไปคบหากันได้ยังไงมันโคราเรื่องมันโคราโรดอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจนกว่าเขาจะโตขึ้นมาเขาจะรู้เรื่องเศรษฐกิจเขาจะรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์เขาจะรู้เรื่องการเป็นอยู่การงานที่มันพอพูดกันได้เขาก็ถึงจะโตขึ้นมาถึงจะมาใกล้เคียงกันถึงจะมาศรัทธาเลื่อมใสผู้ประธานบริษัท ผู้อํานวยการบริษัทเจ้าของบริษัทอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็ต้องมีกาลเวลาฉันใดมันก็มีสิ่งที่จะสอดซ้อนต่อเนื่องกันได้ก็ฉันนั้นค่อยๆประสานกันขึ้นมาจนกว่าจะมาได้ครูที่ดีอพอเราก็สแสวงหาครูที่ดีแม้คุณจะพยายามคิดรับตัดรับยังไงยังไงมันก็รับไม่เคยลงหรอกมีเหมือนกันบางคนนี่แม้ทําเป็น แสดงทำผมสูงสูงสูงนะมาถึงก็บอกขอสูงสูงอ่ะขอท่าธรรมะสูงสแน่ๆก็สูงสูงแน่ๆก็ฟังนะโอ้โหบางทีบางคนนี่ดูเหมือนฟังเข้าใจเลยนะทำเป็นแหมยังง้นอย่างนี้แต่เปล่าลรครั้งเดียวเรหายไปเลยดูซาบซึ้งดูโอ้โหอย่างง้นอย่างงี้เสแสร้งน่ะถ้าจะทําเป็นไม่รู้ปรเดี๋ยวก็เราก็บอกว่าเราเอาเอสูงก็สูงเราแสดงทำสูงให้ฟังพอทําแสดงสูงให้ฟังถ้าเรา เขาไมได้ฟังแล้วเขาจะเสเขาจะไม่เสแสแซงแม้ไม่รู้เขาจะต้องเสแสแซงว่ารู้ถ้าเขาไม่เสแสแซงปรเดี๋ยวจะหาว่าเขาไม่แน่แต่ไอ้ที่แน่หรือไม่แน่นั่นเรารู้ได้ว่าโอ้ถ้าทำมาสูงๆทำมันเป็นรถประทับใจจริงๆแล้วมันประทับเลยมันแน่นอนมันแล้วก็รับติดรู้จริงๆเลยนะบอกโอ้โหอย่างที่เขาบอกว่าโมโหดียอดเยี่ยมอย่างนี้ต้องทั้นงนี้สิ่งยขาหน้าเขาต้องมานี่ฟังแล้วสาปซึ่งเหลือเกินเสร็จแล้วจากกันแล้วหายไปเลย ไม่รู้เป็นตายรายดีอย่างไรเดินออกไปไปถูกรถชนตายหรืองูขีดตายอย่างสมัยโบราณในพระเตปรดงในสวนมากออกไปงูขีดตายเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่มีไม่มีรถเออตอนนั้นมันมีมมรถชนตายเดี๋ยวนี้มันมีรถเนี่ยพวกเสือสิงกะทิงแรดหรืองวัวควายกระทิงเนี่ยคือรถเนีเดินออกไปถูกรถชนตายสมัย น, น้นงัวขิดตายะจะเห็นได้ในพระธติรดงนี่นมีเยอะออกไปอ้าวเดี๋ยงงวขิดตายเดี๋ยวนี้รถดนรถชนตาย มันเป็นเรื่องคนสมัยเป็นตายได้ดีอย่างไรไม่รู้ไม่เห็นกลับมาอีกทราบซึ่งทําไมหายไปก็ไม่ทราบได้เหมือนที่เราศึกษากันที่เราหาครูกันค่อยค่อยไล่เหมือนกันมันก็ค่อยค่อยไล่ไปเรียงพวกคุณมาเรียนอย่างนี้ได้ทนฟังนี้ได้เป็นเดือนเป็นปีปีแล้วปีเล่าไม่เบื่อไม่นายมันก็เป็นความจริงที่ไม่เบื่อไม่น่ายมันเบื่อนายอยู่บ้างมันก็มีละกิเลสของคนเรามันจะไปรับรถบางทีมันก็ โอ้บื่อเบื่อันเซ็เงเบ้างมันชินชินชาชาก็รู้แล้วไอ้มานะนี่มีซ้อนตัวบุคคลนี่เยอะโอ้อย่างนี้ก็เคยฟังแล้วอย่างงี้ก็เคยรู้แล้วพูดแต่เรื่องเก่าอยากจะฟังเรื่องใหม่น่ะแม้ยังกับเรื่องเก่าก็ทําได้หมดแล้ว น, น, นะว่ากันจริงพอเราย้ําเราซ้ําเรื่องนี้เน้นย้าอีกแม้ยังก็บอกว่าไอ้เรื่องเก่าที่ได้ฟังนี่มันมันเถอะของหมูหมูแล้วอาไม่หมูเราไม่กินหมูของกล้วยๆแล้ว มันขอเกล้วยแล้วทําได้หมดแล้วอย่างนั้นหรือบางอย่างอาจจะทําได้จริงนะทําได้จริงนี่จะเกิดความซาบซึ้งอย่างหนึ่งเราทําได้ประมาณนี้เนี่ยเราปฏิบัติได้แล้วขนาดนี้พอเราฟังทำที่พิศดานอธิบายใกล้เคียงขยายความอะไรลึกซึ้งพิสดารลงไปในในเรื่องที่เราทํานี่ในสัจจะในเนื้อหาของธรรมะสภาวะของธรรมะบางอย่างเนี่ยพอได้ฟังคําขยายมีนู่นมีนี่เข้าไปโอ้โหมันลึกซึ้งแล้วมัน จะทราบซึ่งยิ่งกว่าเพราะพระอรหันต์ที่ท่านฟังทำไม่เบื่อเนี่ยก็แปลว่าพระอรหันต์ท่านเข้าใจสภาวะธรรมท้งคนณเทศธรรมท่านจะเข้าใจธรรมะแล้วก็ขยายด้วยนี่ท่านจะเข้าใจธรรมะในเรื่องที่เป็นสาระแก่นสารถ้าจะฟังทำไม่เบื่อเราใครจะมาทักแสดงธรรมอย่างนั้นแต่ถ้าผลแสดงธรรมแล้วไปโนโลดอกกีอะไรต่ออะไรเลอะเทอะไม่ได้เคารองเคาร้อยอะไรเลยท่านก็ฟังนะเพราะว่าพระอรหันต์ท่านก็จะรู้โลกมากมากขึ้นท่านจะมีโล ก, กวิทูมากขึ้น แต่จะเข้าใจโลกเปน็นยังไงเมื่ท่านฟังไปบางทีท่านอาจจะต่อไม่ติดเท่าไหร่เพราะว่าพระอริยเจ้าบางรูปท่านไม่ไปได้โหั ห, โหโกล้นขิดอะไรมากมายนักแล้วเขาก็เป็นเล่าเรื่องนอกนอกไกลๆอะไรแต่ อ, อะไรที่ท่านเองทำไม่ได้ไปคลุกคลีกเกี่ยวข้องไม่ได้เขพูดเรื่องอะไรมันเป็นไปเชิงนิยมหรือท่านก็อาจจะตามไม่ค่อยดีแต่ท่านก็จะฟังได้เพราะว่าท่านจะไม่มีปัญหาเพราะเข้าใจแล้วเนี่เราไม่มีผลักไม่มีดูดอย่างพระอรหันเนี่ยไม่ได้ผลักไม่ดูดไม่ได้ชัง แต่แกจะฟังอย่างทึ่งๆบอกเออมันมีปานชนีชนนะเราไม่เคยพบเคยเจอก็เป็นการศึกษาศึกษาเป็นโล ก, กวิทูเป็นการรู้โลกต่างๆอ๋อโลกมันมีบ้าๆ บ, า บ, าๆบมบมีนี้บ้างเหรอเราไม่เคยเจอเลยมันร้กาดอย่างนี้เหรอมันมีอะไรพิลึกพิลืออย่างนี้หรือท่านก็จะได้ศึกษาไปอย่างนั้นน่ะแล้วท่านก็ฟังมันก็แปลกน่ะแปลกหูแปลกอะไรท่านก็ไม่ท่านก็ไม่ไม่ได้มบื่อนายอะไร หรือยิ่งซ้ํำซากก็ยิ่งจะลึกซึ้งบอกเราซ้ําซากสิ่งที่เป็นสาระเกณฑสารศึกษา ม, มาแล้วเรารู้มาแล้วอันนี้รู้จกนกระทั่งบรรลุธรรมแล้วด้วยเข้าใจแล้วด้วยก็จะฟังใครเทศแม้เทศในเรื่องที่ท่านรู้ยิ่งกว่าคนที่เทศเรื่องที่ท่านรู้ยิ่งกว่านี่แหละแล้วเขาเทศไม่ได้ดีอะไรนะักท่านก็จะรู้เพราะท่านมีเมตตาท่านจะเห็นเออคนนี้เทศ ก, ก็ได้ดีขนาดไหนไม่ดีขนาดไหนถูกบ้างผิดบ้างขนาดไหนท่านก็จะเอออนุโมทนานะในพยายาม บางคนอวดดีไม่อวดดีท่านก็จะดูกิเลสเขาถ้าไม่ได้ชังศัตรูไม่ได้ชังคนชั่วพระอรหันต์เนี่ยจะไม่ชังคนชั่วเออคนนี้คนชั่วหรือคนเลวบางคนนี่อวดดีผิดผิดพลาดพลาดว่าอะไรไปบางทีท่านก็จะช่วยติงเตือนนะเทศอะไรก็ไม่รู้เทศบบาปบวมเอาความเห็นของตนเองผิดผิดท่านก็มาว่าถูกถูกอะไรเละเทะเข้าไปมากท่านก็จะฟังเอยคนนี้นี่ทำไม่เข้าฐาแล้วมั้งไม่ดีท่านก็จะติ้งจะเตือนจะช่วยเหลือเพือฝ่ายคนอย่างนั้นนะต้องช่วย ไม่ใช่ชังเขานะไม่ได้ชังเขาแต่ก็เป็นอย่างนั้นน่ะท่านก็จะช่วยเลเปัจจัยถ้าก็ฟังได้ก็เป็นเรื่องเออไอ้คนนี้เนี่ยมันไม่จริงมันก็ว่าจริงนะมนไม่ได้เรื่องมันก็ว่าได้เรื่องถ้าก็จะรู้อ่ะท่านก็จะช่วยเข้าไปนะว่าท่านทึกฟังทำได้ไม่เบื่ออย่างไหนก็ไม่เบื่ออย่างซ้ําก็รู้อย่างซ้ ำ, ซำยันยิ่งมีอะไรพิสดารด้วยก็ยิ่งดีใหญ่อย่างที่กล่าวแล้วนะก็จะว่าไปเรื่อย นี่เราเองเราฟังทำแน่นอนมันก็ยังไม่เป็นเช่นนั้นมันก็คงจะเบื่อบ้างมันมีตัวมานะอาตมาจะบอกให้นั่นเป็นมานะสังโยชน์มันอวดดีมันรู้ดีแล้วมันก็รู้แล้วมัก็ไม่มีกระจิกกระใจอยากจะรับรสอยากจะไดอะไรต่างๆ น, น, นานามันไม่รู้ว่าเป็นแก่นสารที่แท้ที่จริงมันก็รู้เหมือนกันว่าเป็นแก่นสารแต่เสร็จแล้วก็อวดดีอ่ะมันก็ปะะัทะตัวถือดี ต, ตัวตนนี่แหละตัวมานะตัวตนนี่แหละมานะอติมานะเนี่ย มันลึกซึ้งนะมานะนี่มากมายกายกองละเอียดละ อ, อเหลือเกินนะมันมากมายกายกอง จ, งจริงๆเรื่องมานะนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเป็นสังโยชน์ชั้นสูงจริงๆนะเ จ, จะละตัวละตนมันเป็นแกนสองแกนเท่านั้นนะแกนกลางกับแกนมานะคุณรู้ว่าคุณเรียนกามนี่แล้วก็ละกามนี่นะคุณจะรู้ว่ามีประมาณหนึง่งคุณก็ยังเห็นว่าแหมเมื่อไหร่มันจะหมดกลางสักทีนะอย่าเพิ่งบนไปถึงแกนมานะชั้นสูงอีกทีนึงแล้วคุณจะรู้สึก ที่คนบอกว่าแม้กามนี่ก็ดูทําไมมันไม่หมดสักทีนะทำไมมันเหลือเชื้อรลเสร็จ เ, เราก็ว่ามันไม่มีอะไรมากแล้วนะทําไมมันยังต้องติ่งตรงต่อยทําไมมันเยอะจังจงลยมันไม่ขาดไม่สิ้นทุกทีอย่าพึ่งบนอยากเป็นพระอาหารหันต์อย่าพึ่งบนยังเจอมานะเข้าแล้วคุณจะรู้ว่ายิ่งกว่านั้นมานะนี่แกนมานะนี่กว่าจะสิ้นจะหมดนี่โอ้โหคุณเอ้ยมานะเนี่ย ม, มันยิ่งกว่าแกนกาม แกนกามดูใหญ่เพราะมันหยาบแต่แกนมานะนี่มันใหญ่เพราะมันซ้อนลึกที่มันไม่เห็นได้ไง่ายๆใหญ่กว่ากลามแกนมานะนี่อไอ้พบมานะนี่มันใหญ่กว่ากามมันใหญ่กว่าจริงๆมันละเอียดลึกซึ้งซับซ้อนหลายเชิงชั้นมากไปา ม, มากมายเลยเพราะมันยังมีอีกมากนักที่เราจะศึกษากันไป ที่เราพูดกันอยู่นี่ไม่ใช่วันสองวันไม่ใช่ปีสองปีไม่ใช่ชาติ2ชาติสิ่งเหล่านี้แต่ก็ไม่ได้พูดในคุณม่าเออไม่เป็นไรเราอยังไหนๆมันก็นานแล้วไอคนยังเรานี่นะอย่างไหนมันก็นานนะมันก็อย่าไปเร่งรัดเลยตลองตองแต่งไปดีไม่ดีเออแล้วมันเบื่อมันทนไม่ทนหนีไปเที่ยวดีกว่าทีนี้ไม่ใช่จรประจําและจอนจริงๆเลยบางทีหายไปชาติสองชาติไม่เห็นหน้าแล้วแต่คุณท่านะคุณจะจรนไปเป็นชาติชาติเลยก็ตัวใครตัวมันน่ะ อาตมาก็มีหน้าที่ยังไงยังไงอาตมาก็ว่าโรงเรียนอาตมาไม่ล้มหรอกอาตมามีคนเรียนอยู่ตลอดเวลามีคนมาลงทะเบียนบางคนก็ลงทะเบียนประจําบางคนลงทะเบียนจอนอะไรก็แล้วแต่ก็มีอาตมาว่าโรงเรียนอาตมาไม่ล้มหรอกคุณไม่มาเรียนอาตมาก็มีนักเรียนให้สอนอยู่อาตมาแน่นอนอาตมาแน่ใจนะอาตมาเคยสมมติสบายว่าพวกคุณออกไปโมดหรือแต่อาตมาคนเดียวเนี่ยอาตมาก็เคยสมมุติอาตมาก็บอกคุณแล้วว่าอาตมาไม่เชื่อหรอกว่าอาตมาจะอยู่คนเดียว อาตมาจะไม่มีใครอยู่ด้วยอาตมาไม่เชื่อหรอกอาตมาจะรู้เชื่อกว่าด้วยเชื่อกว่าว่าโรงเรียนอาตมาไม่ล้มโรงเรียนอาตมานี่จะมีนักเรียนประจำเนี่ยนะแต่อาตมาไม่อยากพูดว่ามีแต่จะมากขึ้นสิอาตมาไม่อยากพูดเนี่ยมันจะยิ่งเกินไปมันจะมากไปอ่าเพราะงั้นก็ น, น้อยๆไว้หน่อยมากไปไม่ค่อยเข่าท่าก็ น, น้อยๆไว้หน่อยดีนะอาตินี้ก็มาทวนนะ ที่ย้ำเน้นสิบสองข้อนั้นนะ่ะหนึ่งสแสวงหาครูสองศึกษามีการศึกษาอาตมาแนะให้จำนะจำไว้สองตัวเนี่ยอันต้นหนึ่งสแสวงหาครูสองศึกษาสามที่นี่ตัวเราแล้วละ่ะสามโยคะสี่ฉันทะห้าอุตโธลหิหกอปปติวานิเจ็ดวิริยะ 8. อัตปะ 9. าสาตจะนะนะทีนี้เหลืออีกสมตัวสตินะี่สัมปชัญญะอั ป, ปมาทะนะ3ตัวนั้นจำไว้ทายบอกว่ามันจะมีหัวสองตัวมีทายสมตัวแล้วกลางเจตัวนี่แหละเนื้อหาของความเพียรทั้งนั้นลักษณะเนื้อหาของความเพียรทั้งนั้น แม้แต่ฉันทะเมื่อวานนี้อาตมาก็สรุปแล้วว่ามันก็คือความเพียรฉันทะเนี่ยต้องเพียรให้ได้ลักษณะอะไรล่ะลักษณะจิตใจยินดีจิตใจจะต้องเบิกบานสดชื่นให้ได้จะทํายังไงอาตมาไม่รู้คุณล่ะมันจะสดยังไงมันจะชื่นยังไงให้มันได้อย่าให้มันหดหู่เหี่ยวอย่าให้มันเซ็งนะอย่าให้มันหดหดหูมันเป็นความทุกข์แล้วตั้งแต่เริ่มต้นแล้วหดหูเซ็งอะไรมันทุกข์แล้วมันไม่ก้าท่าแล้วเรื่องอะไรงง นั่นแหละเป็นตัวสุขขาปฏิปทาที่เราจะต้องรู้เบือเบื้องตนอาตมาเคยบอกหลายทีว่าจำใจให้เบิกบานความหดหู่ห่อเหี้ยความไม่ชอบใจอะไรแม้นิดไม่มีเหตุผลไม่มีข้อแม้ขจัดมันออกจากจิตวิญญาณคุณจะขจัดได้ด้วยวิธีใดๆสามารถอย่างไรเอาเอาอกมันเถอะอย่าเอามันไว้ใจให้มันสบายเบิกบานเอาเบิกบานเข้ามาแทนมันอะไรมันขุนมันมัวมาได้ขดจัดมันออกไม่ต้องมันยุ่งนะัเอามันเบิกบานก่อน เราก็ได้เสวยพบหรือว่าอย่างน้อยก็ได้เสวยสภาพอาศัยอารมณ์ที่สบายก่อนเป็นตัวกําไรกําไรประเภทกําไรฟรีๆก่อนตอนแรกนะเพราะคนเรามันมีทุกข์ทับถมตนอยู่มันมีเรื่องไม่ดีอยู่มาเสมอมันมีทุกข์ทุกน้อยทุกมากอะไรแล้วแต่เราบางคนไม่รู้จักความทุกขนะ์แต่ไม่ต้องไปแสวงหาโลกรีมาบําบัดมากนะักโลกีจสุขบาบัดแก้ขวย มันทุกไปกินเหล้ามันทุกไปเที่ยวเถอะมันทุกก็ไปดูละเมงละครอะไรเถอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นการบําบัดโลกรยสุขหรือสุขาริกะนะมันเป็นการบำบรสุ ข, รส ข, ข า, าราขขาิกะเท่านั้นมันก็บําบัดไปในชั่วคราวมันแก้เพราะฉะนั้นบําบัดอย่างนั้นไม่ดีอ่ะแก้ทุกเราจะทําใจของเราเนี่ยดีทําใจให้มันเบิกบานแจม่มใสอ่าทำที่ใจเองไม่ต้องอาศัยข้างนอกได้ยิ่งดีใหญ่ ถ้าเราจะไปสายข้างนอกก็ไปดูปรับเปลี่ยไปดูหนังดูละครไปดูให้เบิกบานเรื่องเรื่องแก้ไอ้ที่ทุกข์ที่มันมีอยู่ก็ลืมลืมมันไปชั่วคราวอันนี้เป็นการแก้ทุกข์ธรรมดามนุษย์ไหนเขาก็รู้ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรใครๆเขาเข้าใจแล้วเขาก็ทําอยู่เพราะเราพยายามทําให้ดีปรับให้ดีแล้วเราจะรู้ตัวนี้ก่อนเพื่อนและทําได้ไมาชันทะนี่จึงเป็นตัวฉันท่านมันมีน้ําหนักกว่าที่อาตมาพูด ทำใจให้มันเบิกบานร่าเริงนี่มันชันธาเนี่ยมันมีความยินดีด้วยนะมันนอกจากไม่เซ็งไม่หดหูแล้วมันยังต้องมันมันดึงดูดด้วยมันมีเผามันมีพ p วอร์มันมีแรงมันมีแรงกําลังเป็นอิทธิบาทมันมีความยินดีในสิ่งนั้นแล้วมันก็ปรารถนาที่จะให้มันเจริญในสิ่งนั้นฉันท์านี่มีแรงอย่างนั้นด้วยถ้าไม่มีแรงองั้นไม่ถึงขั้นฉันทะนอกจากไม่เซ็งไม่หดหูไม่อะไรแล้วยังมีสภาพที่ยินดีปรารถนาดี มีความต้องการที่จะสร้างดีอันนั้นเห็นในอันนั้นให้ดีให้ได้นะเพราะงั้นเมื่อเราได้พบครูได้มีการศึกษาแล้วเราก็ยินดีในการศึกษานั้นมีความเพียนโยคะเนะจ็ดตัวกลางนี่ตั้งแต่โยคะฉันทะอุตโธลิอปติวานิวิริยะอตตปะสาต จ, จะเนี่ยเจ็ดตัวนี่อัปะบาลีนีสั้นสั้นเดี๋ยวขยายความแปลแ ป, ลแปลเป็นไทยก็แปลไปด้วยนะโยคะก็ประกอบ โยคะประกอบความเพียรเมื่อการศึกษาใดเรารู้ว่าเราจะทําอันนี้เราก็ต้องพยายามประกอบความเพียรพึงพยายามเพียรทําการศึกษานั้นทําการใส่ใจประพฤติกระทํากรณียากระทําพึงกระทํากระทําอันนั้นอันที่คุณจะศึกษาเป็นกิจแล้วเป็นกรณีแล้วเป็นการก็จะต้องกระทําแล้วต้องกระทําอันนั้นโยคะ น, นี่เป็นตัวตั้งตน้นต้องกระทําเมื่อกระทําแล้วจะต้องทําใจอย่างไรต้องฉันทา ต้องให้มีความฉันทายมีความดึงดูดเกิดตัวอิทธิบาทมีฉันทาวิริยะจิตตวิมังสายินดีนะเราจะเพียนอันนั้นแหละเราก็ต้องยินดีในอันนั้นเราจะทําการศึกษาอันใดการศึกษาอันนั้นเราจะต้องพึงยินดีในการศึกษาหนังญาเมือนาไอยาเนี่มันก็ห้ามกันยากแหะแต่ต้องเพียนเป็นเพียรทําให้มันเกิดให้มันได้ฉันทันแล้วก็ถึงอุตโสธหิอุสาหะนะท่านแปลเป็นไทยว่าอุสาหะ นะอุสลหิอุตสาหะก็มันก็บอกอยู่แล้วเพียรในอุตสาหะมันจะต้องดันตัวเองให้มีความบากบันนะให้มีความมีกําลังแรงแรงขึ้นไปให้อย่าอย่าอันที่สเอ่อต่อไปอันที่สี่อันที่4ี่ถึงอย่าท้อถอยนะอุปอัปติวานิเนี่ยยาท้อถอยไม่มีการกลับไม่มีการถอยกลับนี่แหละอัปติวานิ เหมือนมันไม่มีอุปสรรคเหมือนมันไม่มีอะไรกีดขวางนะในตัวอปิติวานิจริงๆนี่ท่านแปลในประธานุกรมนท่านแปลว่าความไม่มีสิ่งกีดขวางความไม่มีอุปสรรคก็จริงเราต้องกระทําเหมือนความไม่มีอุปสรรคกระทําอย่างที่ไม่มีอะไรกีดขวางกระทําอย่างรุดหน้าเดินไปหน้าอย่างเดียวให้ได้อย่าให้มีการถอยกลับอย่าให้มีการท้อถอยกระทําการไม่ท้อถอยกระทําการไม่ถอยกลับนี่แหละ ก็ฟังความให้ชัดกันแล้วกันเดินทําแรงอย่างไรนะให้มีแรงอุตสาหะให้มีแรง อ, อุโสลหินนะนะมีแรงอุตสาหะบากบัน่นให้แรงอย่างไรที่จะต้องมันไม่ถอยเลยเมื่อไม่ถอยเลยมันก็ถึงขั้นอัปติวานิได้คือมันก็ไปแต่หน้ารุยรุยรุยเรื่อยไปมีกําลังนะมีกําลังมีน้ําหนักไปเรื่อยๆแล้วถึงสภาพต่อมาก็ให้มีความเพียรประเภท อ๋อวิทยาเนี่มันทีหลังนี่นะในนี้อาตมาสับไปสินิดหน่อยความเพียนอัตปะก่อนอัตปะคือเพียนเผากิเลสนะอัตปะอนี่ขออภัยไม่ใช่อออสละอตมหนักการปปลาสองตัวอัตปะท่านก็เรียกอัตปาท่านก็เรียกถ้าพันเป็นภาษาบาลีมันพันได้เยอะอัตปาอัตโปอัตแอมเรียกอะดยูทุกทีอาตปาอาตปะอาตโป มันมี ม, มีมีหลายแต่ผันเป็นพระหูจน์บัง้งผันเป็นเอกพจน์บั้งอัตโปกเป็นพระหูเป็นเอกพจน์อตัตปากเป็นพระหูโพธอะไรของท่านเราพึงเพียรให้มีการแผดเผากิเลสคือเพียรที่จะจับรู้เรื่องรู้ราวรู้อะไรเราจะทําอะไรที่จริงเราก็จะลักกิเลสเผากิเลสนั่นแหละให้มันมีการเผากิเลสได้ให้มีลักษณะที่ว่าเพียร น, นี่เพียรอะไรเพียรให้ ได้รู้เลยว่าโอ้เราเพียรมาเนี่ตั้งแต่โยคะมาฉันธมามีเรี่ยวมีแรงมีกําลังอะไรมาทั้งขีดนี้แล้วเนี่ยมันเห็นเลยว่ากิเลสเนี่ยมันถูกเผาไปมันลดละตรงไปได้พึ่งกระทาอย่างกล้าวิริยะนะพึงเพียรอย่างมีความกล้านะคนเรานี่ไม่ค่อยกล้าตัดกิเลสนั่นแหละมันอ่อนแอให้กิเลสมันกินตัวอยู่เลยไม่กล้ามันไม่แข็งมันไม่แรงโอ้ยอย่าตีกิเลสลงไปอ้ยอย่าไปตีมัน ให้มันกินตัวเรามันจะตายนะกิเลสมันเก่งเหลือเกินมันไม่กล้ามันไม่แข็งแรงมันไม่อาจหานนะเวริยญาณนี่ต้องเพียรอย่างมีความกล้ายังมีความแข็งแรงยังมีความอาจหานบันคอลงไปให้มันตายเลยใชเนี่ยเราฆ่ากิเลสมาบ้างแล้วนะพวกเราเนี่ยและเป็นยังไงลราไม่กล้าฆ่ามันกลัวมันจะมีชีวิตชีวาเลยไม่ต้องกลัวเรามันมีชีวิตชีวาอยู่อย่างยิ่งอ่ะไป ต้องเอามาลงไปเลยไม่ต้องไปเกรงใจมันไม่ต้องไปกลัวมันตายเราพอเราจะเอาให้มันตายแต่ไม่รู้จะพูดยังไงพูดโวหารพูดภาษาเวลาเข้าจริงๆแล้วเจอเยว่นมันหน่อยน่าสงสารมันแตาไม่ไปกลัวมันตายมันมีชีวิตชีวามันมีบทบาทอยู่ในเราเอ้มันก็ตลกดีเหมือนกันนะรู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้นะก็รู้แต่ทําไมมันนี่แหละคือภาษาคาว่าให้กล้าให้เพียนแข็งแรงนี่แหละเผากิเลสแล้วก็เผาอย่างกล้าแล้วเผากันอย่างเอาจริงเอาจังเผามันเหมือนกันเออข่ามัน ตัดแขนมันหน่อยหนึ่งแต่ให้มันมีอยู่ทั้งตัวมันเหลืออีกตั้งสองแขนห้าแขนแล้วมันก็กินเรามันไม่กล้าแรงมันเผากิเลสมันก็เผาไปได้เสี้ยวหนึ่งหน่อยหนึ่งอย่าเผาให้มันหมดก็ไม่หมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นโวหารภาษาก็พูดให้คุณฟังเงี้ยแต่ทีนี้กําลังที่มีจริงของคุณคุณจะทําได้แค่ไหนมันก็ต้องบอกกันปลูกเร้ากันจะว่าไปแล้วก็ปลูกเร้ากันทําให้จริงนะต่อจากนั้นก็ทําให้ติดต่อสาตัจั เพียนมีความเพียรกระทําความเพียรที่ให้ติดต่อหรือให้ต่อเนื่องให้มันมีไปเรื่อยต่อเนื่องอย่าให้ว่างไม่ใช่ทาได้ทีหนึ่งเสร็จแล้วก็ผีเข้าไปอีกต้งสาทีหทีร้อยทีแล้วค่อยตั้งหลักแล้วอีกทีหนึ่งอ้าวทําเพียรเผากิเลสได้อีกทีนึง่งแล้ว น, นั่นก็ผีเข้าหรือกิเลสเข้าไปอีกนานไม่ใช่ต้องไม่ให้ช่องว่างที่กิกเลสมันเข้าต้องให้ตัวเราทําการละกิเลสให้ต่อเนื่อง มีเพียรทําให้มันเห็นจริงๆรู้จริงๆด้วยตนนะว่าเราเพียรทําได้มีละกิเลส น, นี้ต่อเนื่องไปบ่อยๆมีสภาพที่ไม่ขาดตอนก็คือลักษณะที่เราบอกว่าเราเรียนว่ามีสติเสมออย่าให้สติตกนั่นแหละที่จริงมันไม่ใช่สติตัวเดียวมันเป็นบทปฏิบัติอย่างที่กล่าวนี้ต่อจากให้ต่อเนื่องนี่ก็มีสติสัมปชัญญะมีความไม่ประมาทกล่าวนี้ต่อจาก ให้ต่อเนื่องนี่ก็มีสติมีสัมปชัญญะมีความไม่ประมาทสติก็ติความหมดเลยก็คือสัมโพธชงไปหมดสติสัมปชัญญะปัญญาให้เกิดการรู้รู้ยิ่งนะรู้รู้ว่าเรากําลังกระทําถูกลักษณะที่กล่าวมานี้แม้ตั้ิบสข้อเนี่ยเอาหลัการสแสวงหาครูแล้วก็มีครูแล้วเป็นครูก็เป็นตัวตนหยับหยาบนอ ก, นอกมีผู้ที่เป็นตัวตนครูผู้สอนผู้แนะนําผู้นําพาเราก็ได้ศึกษา ศึกษาโดยปริยัตมาแล้วก็มาปฏิบัติพอมาถึงตัวเพียรตัวโยคะตัวไปกระชั้นจนกระทั่งถึงสติสัมปชัญญะอัปปมาทะไม่ประมาทนี่เราต้องรับผิดชอบเองแล้วตอนนี้พอได้รับการศึกษานั้นมาปริยัตินั้นมาปฏิบัติแล้วทีนี้จะต้องโยคะมยันอัปปมาทะนี่เราต้องเล่นเองทั้งนั้นนะสิบหลัก10ตัวนี่ตั้งแต่โยคะมาจนถึงอัปปมาทะนี่สิตัวเนี่ย สองตัวพบครูสแสวงหาครูแล้วก็มีการศึกษานั้นก็เอาละมันเกี่ยวเนื่องผู้อื่นสิบตัวเนี่ยเรารับผิดชอบตัวเราเองเราต้องเอาจริงๆทำจริงๆเพราะตัวเพียร น, นี้ตั้งเจ็ดตัวเพียรอย่างไรก็มีสติสัมปชัญญะมีความไม่ประมาทแม้โทษภยัยอมีประมาณน้อยแม้เรารู้ว่านี่เราเราต้องปัญญาเราต้องละเอียดว่าเออเล็ ก, ล ก, ล ก, ลกน้อยอย่างนี้เราก็ไม่ประมาทนะ มีสติสัพพัญญาให้รู้มีการศึกษาอย่างปฏิบัติปฏิบัติปฏบัติประพฤติมีสติสัมโพชฌงมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงมีวิริยะสัมโพชฌงผ่าเพียนรู้ตัวให้พร้อมรู้แล้วก็วิจัยทำสัมผัส ต, ต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจ อ, อ, อยู่ภพนอกพบในอยู่กามาพบสัมผัส ต, ต่อตาหูจมูกลิ้นกายหรืออยู่ในภพของตัวเองลักษณะใดอย่างไรที่มันเป็นกิเลส เ, เป็นกิเลสข้างนอกเป็นกิเลสข้างในกิเลสอย่างไร โลภะโทสะโมหะลักษณะอะไรเรารู้มันชัดชัดเจนเลยท่านสอนต่อมาในนี้ทีนี้เราทวนย้อนนี่อาตมาก็ทวนเมื่อวานนี่ยำทวนย้อนไปอธิบายหาหลังหาท้ายนี่ไปหาหัวจากท้ายไปหาหัวจะย้อนขึ้นมาท่านก็บอกว่าในวักต่อมาท่านบอกบุคคลเมื่อไม่รู้เห็นชาติตามความเป็นจริงไม่เห็นชรามรณะตามเป็นจริง เมื่อไม no ่รู them, ้ไม่เห็นนอกจากไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ยังไม่รู้ไม่เห็นเหตุนะไม่รู้ไม่เห็นเหตุน่ไม่รู้ไม่เห็นเหตุไม่รู้ไม่เห็นเหตุแล้วก็ไม่รู้ความดับนะความดับสภาพต่างๆเป็นจริงทั้งหมดทั้งชรามรณะทั้งชาติแล้วก็ไหลไปหมดทั้งชาติทั้งพบ อุปทานตันหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขาร น, นี่เราเรียนปฏิจจสมุปบาทไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจถึงสภาวะความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะอันนี้เราเรียกชื่อโดยบัญญัติประชาติอะไรไระชาติชาติเอาแค่ไหนมีธรรมวิจัยที่ลึกซึ้งซ้อนบางที่พูดโดยภาษาไม่ได้เราบอกว่าดับให้สนิทเป็นนิโรดนี่ดับให้สนิทอาตมาตั้งข้อสังเกตให้ฟังแล้วเมื่อวานนี่ว่าเราจะนิโรธ ดับไม่สนิทไม่ให้เหลือสังขารก็ไม่ให้เหลือแล้วแต่มาก็ตั้งข้อสังเกตให้ฟังว่าสังขารไม่ให้เหลือก็เอร่างกายเรานี้ก็สังขารหรือพระอรหันต์เจ้าพระพุทธเจ้าที่กําลังเผยแผ่พระศาสนาอยู่ท่านก็ดับสนิทแล้วท่านก็ดับไม่เหลือแล้วดับสังขารที่จะต้องดับนั้นไม่เหลือแล้วแต่ท่านก็ยังมีร่างกายเป็นสัพพะทิเสสนิพานยังมีร่างกายยังมีชีวิตทํางานสอนผู้อื่นอยู่เป็นครู แต่ท่านเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงสุดและเป็นพระอรหรันตตระสมมาสมพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์องค์อื่นๆก็ตามท่านก็ดับสนิทแล้วสังขารท่านก็ไม่มีแล้วแต่มันก็มีสังขารพราะสังขารอะไรที่เราจะเข้าใจต้องวิเคราะห์วิจัยให้ชัดเจนเลยนะว่าสัพพะทิเสสนิพา น, นีมีลักษณะอย่างไรสัพพะทิเสสนิพานมีลักษณะ เหลือสิ่งที่เป็นอุปาทิหรือที่จะเป็นต้นรากต้นเหลือที่จะต้องอาศัยที่ต้องอาศัยเท่านั้นเองที่จะต้องเป็นต้องมีอยู่เพื่อต่อเนื่องเพื่อสืบเพื่อสืบสร้างเพื่อสืบสร้างสืบต่อสืบสร้างสร้างสิ่งดีนี้ต่อไปสืบพระอริยนี้ต่อไปเป็นแม่เป็นพ่อที่จะสืบสร้างทางวิญญาณต่อไป เพราะคําว่าสังขารกลับมาที่คําว่าสังขารเราต้องรู้สังขารก็ต้องรู้วิญญาณก็ต้องรู้นามรูปก็ต้องรู้รู้ยิ่งตามเป็นจริงแล้วก็วิเคราะห์ออกมีธรรมวิจัยออกว่าเราจะเอาอะไรดับให้สนิทไม่เหลือไม่ใช่ดับชุยไปหมดเลยอะไรก็ดับเกลี้ยงไปหมดอย่างที่ก็พูดกันเนี่ยว่างว่างหมดไม่มีตัวตนว่างทิ้งหมดไม่ดับไม่เหลือ แล้วอะไรมันมีความละเอียดกว่านั้นไหมดับไม่เหลือดับอะไรนะเราก็รู้อยู่ไม่ได้โมเมอัตมาไม่ได้โมเมนะร่างกายนี่เราก็เรียกเขาสังขารใช่ไหมเนี่ยหลักฐานเอามายืนยันไม่ใช่อั ต, ต, อตมาหรอกรู้ใครก็รู้เข้าใจอยู่ว่าสังขารร่างกายก็เรียกสังขารแต่เราบอว่าคำว่าดับไม่เหลือไม่มีตัวตนไม่เ ห, เหลือก็นี่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สังขารหรือก็สังขารตัวตน แต่ยังไม่ทันดับมันหรอกมันเป็นสัพปะทิเศสนิพานแต่นั้นนิพานในขั้นหนึ่งนิพานที่มีอุปาธิร่างกายนี้เป็นอุปาธิเป็นต้นรากขั้นห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เราไม่ใช่ดับวิญญาณแต่เราก็จะดับเมื่อถึงอนุ ป, ปาทิเศสนิพานถ้าจะเป็นพระอาหารหันต์สุดท้ายก็จะไม่เหลือดับไม่เหลือตอนโน้นแต่ตอนนี้เหลือก่อนแต่เป็นนิพานชั้นหนึ่งแล้นิพานในระดับสัพปะติเศสนิพานละ ทีนี้ความหมายของสัพพติเศสนิพานจะนิพานอย่างไรนิพานที่มีส่วนเหลือไม่ใช่นิพานมีส่วนไม่เหลือซสื้อธรมาก็เห็นออธรรมบุรุธท่าก็มาสอนเพื่อที่จะเน้นๆ เ, เอาแต่รอบปัจจุบันธรรมท่านก็แปลความหมายของท่านสอุพพติเศสนิพานหมายความว่ากิเลสเหลือถ้าอนุปาัรริเศสนิพานแล้วก็หมายความว่ากิเลสไม่เหลือแล้ว แล้วเลยอธิบายไม่ได้อีกอย่างที่อาตมาอธิบายเอาแล้วทําไมเราสังขารมันเหลือแล้วก็เลยท่านก็เลยไปคิดว่าเออก็อยู่อย่างธรรมชาติในสังขารนี้เป็นธรรมชาติท่านก็เลยแปลเป็นธรรมชาติก็เลยภาษาก็เลยไปชนภาษาชาติมันก็เลยเหลืออธิบายอย่างนั้นก็ได้มันก็ยาวยืดไปอีกอาตมาว่าโบราณอาจารย์ท่านสอนมามันก็ดีแล้วไปสอนอย่างนั้นยาวยืดไปอีกต้องไปขยายไปอีกนะต้องไปบอกว่าชาติชาติบางชาติเท่านั้นนั้ดับแต่ท่านก็ไม่พูดอย่างนี้ ถ้าจะว่าไปแล้วธรรมชาติบางธรรมชาติเนั้นระดับอยากอาตมาสิพูดได้เลยอย่างที่อาตมากำลังอยู่นี่สังขารก็สังขารบางสังขารานั้นระดับไม่ใช่ไปไปดับหมดวิญญาณก็ดับที่จริงไม่ใช่วิญญาณด้วยซ้ำไปถ้าเพราะว่าสูงสุดแล้ววิญญาณงอนันตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นวิญญาณถ้ามีรูปนามขันห้าอยู่นามธรรมก็อยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อยู่เวทนาสัญญาสังขารเป็นเจตสิกของวิญญาณต้องอ่านคนคืออะไร มันเป็นเจตสิกของวิญญาณเพราะฉะนั้นวิญญาณมันอยู่แต่วิญญาณไม่ใช่ตัวตนของมันจริงๆมันไม่ไม่เป็นตัวตนของมันเองอยู่ในตัวแล้วแต่เราเองไม่รู้ว่าตัวตนของกิเลสน่ยมันแฝงอยู่ในวิญญาณเราดับตัวตนของกิเลสไม่หมดเราก็ฆ่าตัวตนไม่สุดเพราะฉะนั้นจัไม่มีตัวไม่มีตนคือไม่มีตัวตนของกิเลสเนี่ยต้องแม่นเลยว่าต้องพราตัวตนของกิเลสออกมาให้ชัดกิเลสอย่างหนึ่งวิญญาณอย่างหนึ่งธาตุรู้นี่ยอย่างหนึ่งเวทนาอย่างหนึ่งสัญญาสังขาร อย่างหนึง่งวิญญาณอย่างหนึง่งเวทนาสัญญาสังขา ร, ญญรวิญญาณรวมแล้วแต่เป็นธาตุอนัตตาทั้งนั้นเวทนาก็ธาตุอนัตตาวิดเวทนาสัญญาก็ธาตุอนัตตาสังขารก็ธาตุอนัตตาสังขารอะไรล่ะก็สังขารที่มันเป็นเจตสิก ข, ของวิญญาณมันก็ธาตุอนัตตาแต่มันสังขารมีกิเลสร่วมสิมันเป็นอัตตาคุณต้องแยากให้ออกเลยมันสังข า, ารนี้เป็นกิเลสไหม ศาสนาที่เป็นกิเลสกิเลสอย่างไรต้องรู้ความจริงตามความเป็นจริงความเกิดจริงมันต้องรู้อย่างละเอียดละออมีอภิญญาจริงๆไม่ใช่รู้ตามธรรมดารู้อภิญญานะคุณเป็นอภินญาก็มีเจโตปริยานและกว่าจะรู้เจโตปริยานก็ต้องศึกษาไปต้องมีวิปัสสนาญาณต้องมีมโนมยิทธิต้องมีโสธทิปต้องมีอิทธิวิธีต้องมีโสธทิปต้องมีเจโตปริยานที่จริงไปทบทวนและมีบุเพนวิวาสานุสติญาณแล้วต้องรู้จริงๆเลยว่ามัน จู่ๆประปาตยานนี่กิเลสมันเกิดหรือไม่เกิดกิเลสมันดับสนิทหรือเปล่าหรือมันยังมีอยู่นะนี่มันยังเป็นบทบาทอยู่ไม่ใช่เรื่องตื้นๆเขินๆมันคําว่าคุณต้องรู้ชาติรู้ชราอรรถธรรมาตัดให้ฟังแล้วว่าถ้ามีชาติมันต้องมีชรามีมรณะอะไรละมันชราอะไรมรณะเป็นเรื่องธรรมดากิเลกก็เกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ก็ดับไปเหมือนกัน จิตวิญญาเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ก็ดับไปเหมือนกันสังขารรูปร่างกายเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเอาตักกะความเข้าใจอันนี้มันก็เข้าใจแล้วเป็นสามัญลักษณะแต่ทีนี้เราจะไม่ให้มันเกิดแหละอะไรและเป็นตัวให้มันไม่ให้เกิดก็กิเลส ท, ทีไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันมีชาติของกิเลสเมื่อไม่มีชาติของกิเลสแล้วคุณพบความจบสนิท คุณไม่มีชราคุณไม่มีมรณะคุณไม่มีโสกปริเทวทุกขโทมนต์อุปายาสะอะไรไม่มีแล้วเพราะมันตัดชาติไปเลยไม่มีชาติแม้ในภพเดี๋ยวนี้ก็มีภพพระอรหันต์เจ้าก็มีภพพระพุทธเจ้าก็มีภพภพในพวังจิตท่านเข้าท่านอยู่ในพวังอยู่ในภพก็มีภพถ้าจะนึกคิดอยู่ในภพอยู่ในพวังถ้าก็นึกคิดได้โดยไม่ใส่ใจอะไรเลยข้างนอกท่านก็อยู่ในภพของท่านท่านจะให้สังขารของ จิตวิญญาณมันสังขารใช้เจตสิกสังขารนะสังขารเจตสิกใช้มันทํางานมันกับปรุงสังขารไปมันปรุงได้แต่ปรุงเหล่านั้นไม่มีกิเลสเข้าไปร่วมไม่มีกิเลสเข้าไป อ, อะไรเขาเรียกสหคตังใช่ไหมพระบุรีไอ้พระอริธรรมสหคตั ง, งเน้อไม่มีกิเลสเข้าไปร่วม ไม่เข้าไปปรุงร่วมสังขารนี้ไม่มีกิเลสปรุงร่วมไม่มีอคติส่วนเข้าไปปรุงร่วมก็ปรุงได้พระพุทธเจ้าไม่ใช่ปรุงไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้สังขารไม่ได้ก็สังขารแม้แต่ในภพไม่ใช่สังขารกายข้างนอกนี้ด้วยอยู่ในภพท่านก็อยู่ในผวังท่านถ้กับสังขารท่านได้สังขารอย่างนั้นเป็นสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปธรรมดาเป็นเรื่องเป็นราวเท่านั้นนะไม่ใช่สภาพที่มัน และต้องแยกออกจริงๆเลยว่าจับตัวกิเลสแม่นจริงๆเลยในขณะที่ท่านสังขารท่านก็ไม่มีชาต์ไม่มีชาราไม่มีมรณะอะไรไม่มีชาติไม่มีชารามรณะก็กิเลสไม่มีชาติอยู่ในภพนั้นไม่มีชาติฟังให้ดีนะเราเรียนระดับนี้กําลังเรียนพระอภิธรรมจริงๆนะนี่เป็นโวหารนะคุณจะต้องไปศึกษาแล้วก็ไปปฏิบัติอาตมาเป็นครูคุณก็กําลังศึกษาปริยัต ส่วนจะไปภาคปฏิบัติเพียนปฏิบัติตั้งแต่โยค้าไปจนกระทั่ถึงอั ป, ปมาธาคุณก็ไปซับเองเนี่ยและคุณถึงจะมารู้เรื่องที่จะเอามาอัมาเอามาพูดเอามาพูดของอัตมานะคุณก็ต้องไปเรียนรู้แบ่งแยกออกมีธรทำวิจัยมีสติพเพียนเลื่อยไปจนกระทั่งจะเก่งมันมีของจริงที่เรียนรู้จับแม่นคุณเคยหมดในเหตุปัจจัยหนึ่งคุณก็จะรู้ว่าเออมันหมดมันดับสนิทมันไม่มีชาติของอันนี้แล้วกิเลสเรื่องนี้เหตุปัจจัยนี้ มันไม่มีแล้วนะนี่เราก็มีสติสัพพัญญะดูตรวจตราไปมันไม่มีเออมันก็ไม่มีมันก็ น, นิโรธอยู่นิโรธอยู่เราดับดับที่เหตุนั่นเป็นเหตุเพราะว่าเราเคยติดใจเคยฝังใจเคยยึดถือจนกระทั่งไม่ ย, ยึดถือก็พยายามอยู่แต่มันก็ยังมีเหลือเชื่อเป็นอนุสัยกิเลสเป็นอะไรอยู่ต่างๆ่านานนานๆเล่นงานเราทีหรือว่าเราคว้าควาน จะมันไม่เจอตัวอะไรก็ว่าไปเราก็ไม่ประมาทนะมันจะมีเล็กมีน้อยก็ไม่เลี้ยงมันละไมใช่เออช่างมันเถอะฉาดหน้าฉาดโ้นแล้วก็ค่อยต้องแต่งไปเถอะอย่าประมาทข่ามันได้เดี๋ยวนี้คุณจะเอามันไว้ทําอะไรพวกเราเยจะไปเป็นอริยะวังสาอริยะวังโสนะเราจะไม่ไปเป็นโลกียะวังโสเอามันไว้ทําอะไรไม่เอาไปเป็นตระกูลนะวังโสนี่คือตระกูล ไม่เราจะไม่เป็นอริยะตระกูลเราจะไม่เป็นไอ้พวกปุตุชนตระกูลเรกไม่จะเป็นปุตตุตระกูลไม่ได้เป็นโลกิยะตระกูลเอาแน่หรือเปล่าจะเอาอริยะวังโสแน่หรือเปล่าวงแห่งอริยะตระกูลแห่งอริยะเอายี้เปล่าเอาจริงยิ่เป็นรอมันไว้ทําไมเอาไปทําเชื้อทําอะไรเรากิเลสแม่เล็กแม้น้อยดับมันได้สนิทนะเพราะเราต้องแยกออกเลยแม้แต่ในภพภพของพระอริยเจ้าก็ยังมีพระอรหันต์เจ้าก็ยังมี รราก็ยังมีจะจะว่าอย่างที่ท่านพุทธทาท่านว่าเป็นธรรมชาติก็ใช่ธรรมชาติของความสะอาดธรรมชาติของสอุ ป, ปาทิเศ ส, สนิพานธรรมชาติของสิ่งที่เหลืออยู่รูปนามขันธ์ห้าเหลืออยู่ก็เป็นธรรมชาติด้นบริสุทธิ์ของรูปนามขันธ์ห้ากิเลสเข้ามาปรุงร่วมไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวกลางๆทั้งหมดเลยตั้งแต่เมื่อพบแล้วอุปทานก็รู้ชัดๆเลยอุปทานคืออะไร แล้วอุปทานเราไม่มีในภพเราไม่มีอุปทานในภพนอกก็ตามในการที่สัมผสัสตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งนี้สินี้มาสัมผสัสมันก็ไม่เป็นอุปทานมันไม่สังขารเป็นกิเลสไม่ไ ม, ไม่กิเลสเข้ามาร่วมสังขารอุปทานที่เป็นตัวที่มันยังยึดถือยังยังช่วยไว้นะ่ะอุปทา น, นยังช่วยไว้เราเองเราไม่รู้ได้ไง่ายๆนะว่าเราช่วยเอาอะไรไว้เราไม่รู้ง่ายๆ แต่มันยังช่วยไว้อยู่มันยังยึดไว้อยู่มันยังติดไว้อยู่มันยังติดยังตอแต่งอยู่อะไรเนี่ยเราก็รู้จริงๆว่ามันมีตัตแต่งมันมีติดมียึดอะไรอยู่ให้ชัดแล้วไม่ให้มันมีเข้าใจให้ชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยอภิญญาสยังอภิญญาของเราความรู้อันยิ่งของเรารู้ชัดจริงๆอ๋ออันนี้มันก็เป็นอย่างงี้นะเสร็จแล้วเราเองเราก็ยังไปติดเป็นรถอร่อยอ๋อเรายังมีอัศร์ทะเป็นรถอร่อยเป็นรถกที่ต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นอยู่นะ เป็นแล้วก็เอามาเสพสุขด้วยเป็นโลกียะสุเป็นอมิตรไม่เอาไม่ต้องเสพสุขหรอกมันมีสิ่งที่เราจะจำเป็นจะสร้างจะสรรก็เป็นไปดีก็ดีไม่ต้องมาตื่นเต้นดีชื่นชมอะไรมากนักบอกแล้วว่าถ้าทุนได้ทำดีรถอันนั้นองไปแต่มันได้สังขารดีมันจะมีการดีใจภูมิใจที่เราได้ทำดีอยู่บ้างก่อนเลี้ยงก่อนก็เป็นขั้นตอนเอาก็อมีปิติเลี้ยงก็เอา ต่อไปแม้แต่ปิติมันก็มาปรุงเป็นอุปกเล์ดีก่อลดจนกระทั่งเออดีก็ทำดีไม่ต้องมีปิติฟูฟองอะไรไม่ต้องดี่อกดีใจอะไรก็ได้มันลึกซึ้งลึกซ้อนไปอย่างนั้นพันอุปทานก็ดียิ่งอยาบขั้นตัณหาก็ต้องรู้หน้าตาตัวตัณหาเป็นความอยากมาให้ตนเองเสพสมสุขสมและทีนี้ไอตัวตัณหาเนี่ยว่ากัจริงก็มันแปลเป็นภาษาแล้วมันเป็นลักษณะความหมายแล้ว มันเหมือนกับความอยากหรือความต้องการหรือความประสงค์ความปรารถนาถ้าเราเข้าใจละเอียดลงไปอีกว่าที่จริงก็ยังมีความปรารถนายังมีความประสงค์มีความต้องการมีความอยากว่ากันจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังอยากสร้างศาสนาเน่เพราะฉะนั้นวิภวะตัณหาเนี่จึงพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องตัณหาอุดมการนี่พูดกันไม่รู้เรื่องท่านไม่ได้อยากมาเสพของท่านเลย ท่านปรารถนาหรือต้องการสร้างสิ่งดีกระทาสิ่งที่เป็นคุณค่าเป็นความปรารถนาดีมันยิ่งใหญ่นะมันทําเพื่อมนุษย์สโลกมันเป็นตันหาของพระเจ้าถ้าจะว่าไปแล้วมีเพราะว่าตันหานี่ถ้าไม่มีตัวนี้ละอะไรเกิดเลยเขคงก็คิดง่ายๆคิดเตื้นๆว่าอยากได้นิพานมึงก็เป็นนมันก็เป็นกิเลสแล้วนะั่นมันจะไปได้นิพานยังไงก็อยากได้นิพาน เสรแล้วพระเจ้ายังสร้างศาสนาไหมอยากให้คนนั้นคนนี้ได้เป็นพระอริยะก็เพียรสอนเขามันก็ต้องมีความอยากได้ทั้งนั้นน่ะเพราะงั้นไม่มีหรอกบางคนเขาคิดเลยว่าไม่มีความหมดสิ้นความอยากไม่มีว่าจริง ๆ, ๆของเขาเหมือนกันแต่ความหมายที่ละเอียดลึกซึ้งนั้นอยากอันนี้อยากมาให้ตนเองเสพหรือเปล่าอันนี้ละเอียดเหลือเกินเราอยากทําแล้วทําแม้กระทั่งเราทําได้ดีแล้วเราก็ไม่เสพดี แล้วสร้างอะไรขึ้นมาแล้วเขาทำดีนี่ได้สำเร็จด้วยซ้ำเราก็ได้รักอุปกิเลส ท, ที่มันไม่ต้องไปหลงดีอันนี้ได้อีกอันนี้มันบรรยายยากเลยของใครเป็นจริงมีจริงก็ของคนนั้นเป็นของคนนั้นชั้นสูงๆมันถึงขนาดอย่างนี้เพราะเราจะต้องเรียนรู้ตัณหาเนี่ยเรียนตั้งแต่กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปคานึงถึง ความละเอียดถึงขนาดบางทีมันเข้าใจไม่ได้เอาให้จริงแนละ้วว่ากามันตัญหาเขาแค่ยังเสกอยู่ที่อาศาัยตาหูจมูกลินกายเป็นกามหยาบแบ่งว่าเป็นกามมขุณห้าแล้วก็ยังเป็นรถเราไม่มีรถอันที่เป็นกามมรดได้แม้แต่ในภาวะรถในภ พ, พราวะตัญหายังเสพภพที่ลึกละเอียดอีกเยอะแยะนะักแม้แต่มานะมันก็ยังอยู่ในภบรูปราคะอรูปราคะก็ในภพ ยังยินดียังอร่อยอยู่ในขนาดไหนกันแล้วแต่แม้แต่ทําดีเป็นมานะนี่ถึงขั้ น, นทําดีแล้วยังอร่อยในดียังมีฟุ้งซ่านอุดทัศน์ใเป็นตัวที่ยังฟุ้งยังกระเด็นอยู่ในสิ่งที่มันยังเหลือเศษคุณจับแต่สิ่งที่เหลือเศษทุลีเป็นอโศกวิริชะเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้นะเอาตัวอะไรแต่ใดมาต่อกันท่ยุ่งไปหมดแล้วคุณตามไม่ได้น ะ, ะผู้ที่เคยเรียนมงคลธรรมามาสมมงคลธรรม 3าเท่าไรสามอัตมาก็ลืมแม่ต่มองกระทำมิติเท่าไรตัววิริชะอโศกะวิริชะเข็มมังตัวเข็มมังตัวที่38สูงสุดเป็นบริสุทธิ์สุขสกเกษมเลยไม่มีเศษทุลีอัตมาแปลอโศกากาวิริชะแปลเอาไว้เป็นภาษาไทยว่าทุลีหมองทุลีเริงมันเป็นการนกอุทธจักรมันยังมีหมองนิดนิดมันมันจะ มันไม่ถึงกับหม่นหมองมัไม่ถึงกับเศร้าสซอยอะไรหรอกมันมีตัวมันไม่มันยิ่งกว่าอารติอรตินี่ความไม่ยินดีตัวอโศกนี่นะที่จริงมันเป็นภาษาใหญ่ใหญ่โศกนี่มันใหญ่นะโศกเศร้านี่มันทุกข์มากมากแต่อโศกะในตัวมงคลธรรมที่อาตมาพูดถึงสภาวะขณะที่กําลังอธิบายนี่นี่มันทุลีหมองทุลีที่มันไม่ใช่ตัวเริงมันไม่ใช่ตัวราเริง ตัวเรื ร, เร่อราอะไรเนะี่ยมันเป็นตัวอีกทิศทางหนึง่งทิศทางไปในทางความโศกนี่แหละอโศกะทิศทางเป็นความโศกแต่อาศัยภาษาเหมือนอาตมาเคยอธิบายว่ารูปนี่จริงไม่นขั้นว่าอรูปไม่มีรูปแล้วที่จริงมันมีรูปอ่ามันมีรูปมันมีตัวที่ถูกรู้ได้อรู ป, ปราคานี่มันมีราคาตัวที่เป็นอารูปมันไม่มีตัวตนแต่ไม่มีภาษาจะเรียกแล้วจะเรียกตัวไม่มีซะเลยละเอาไปรู้ได้ยังไงเราก็ไม่มีเลยแล้วมันก็ไม่มีมันก็หมดแล้วก็จบมันก็ไปซอ้อนกับคําว่าสุญญาตา แต่มันยังมีอยู่นั่นแหละแต่มันไม่รู้จะเรียกรูปอะไรแล้วอะอรู ป, ปะใช้ภาษาบาลีตัวนี้ที่จริงมันมีรูปนะแต่รูปที่มันโอ้มันเหลือเศษเหลือน้อยเหลือเล็กจนกระทั่งจะเรียกรูปก็มันไม่รู้จะเรียกรูปไปได้ยังไงมันก็ไม่ใช่ตัวตนที่ใหญ่โตอะไรแล้วอย่างนี้เป็นตน้นอโศกกะก็เหมือนกันมันไม่โศกไม่เศร้าแ ล, ล้วล่ะแต่มันยังมีมีมีมีอะไรอยู่นั่นแหละรอย ร, อยรางเลือนนิดอะไรทุลี อัตอมาก็เลยไม่รู้จะแปลว่าไงก็แปลว่าทุรีหมองทุรีเริงเทวิราชาก็เหมือนกันวิราชาก็เป็นตัวราชชาี่แปลว่ากิเลสนะราคะรัชชะมันเป็นทุรีตา่างทางหนึ่งเป็นทุรีผลักอีกทางหนึ่งเป็นทุรีดูดทุรีติดวิริชานี่เป็นทุรีติดยึดไอ้อโศกานี่เป็นทุรีที่มันไม่อยากเอาไว้ในใจหรอกแต่มันก็ยังเกิดอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ นี่มันเป็นรายละเอียดที่อาตมาอธิบายเป็นภาษาคุณก็ต้องศึกษาปฏิบัติประพฤติรู้ยิ่งเห็นจริงของตนเองเป็นสยังอภิญญ า, าเป็นสยังอภิญญาสัชชิกตาวะอุปสัมปัญชวิหารตินี่พระบาลีเขาทั้งหมดว่า ง, งี้นะให้เป็นผู้ที่รู้ยิ่งเองด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เลยวิหารติเดี๋ยวนั้นอยู่เดี๋ยวนั้นเลยรู้เดี๋ยวนั้นปัจจุบันนั้นเลย ให้เข้าถึงอันนั้นเดี๋ยวนั้นเลยสัมปะอุปสัมปะชะเนี่ยเข้าถึงเดี๋ยวนั้นอุปสัมปัชะเข้าถึงแล้วอย่างเดี๋ยวนั้นอยู่เลยเราวิหารติเป็นปัจจุบันเลยอยู่เป็นปัจจุบันวิหารติอยู่เดียเด๋ยวนั้นของเดี๋ยวนั้นไม่ใช่นั่งคิดนึกเอามีสภาวะจริงตามจริงรู้อยู่เห็นอยู่มีอโศกะเดี๋ยวนี้รู้อโศกะมีวิธีมีปฏิปัทาในการที่จะเข้าถึงการดับ มีปฏิปทาแล้วก็ทำปฏิปทาเข้าถึงการดับนั้นได้เห็นอยู่หลัดหลัดตัวเองทำได้ทำได้ทำได้จริงๆตัวเองทำจริงไม่ไปเชนั่งเป็นตักกะเหตุผลนี่อัตมาบอกไปเป็นโวหารฟังแล้วอู้เข้าใจดีไปสอนเขาเยี่ยงย่งกับพระมหารอารหรันต์นะสอนเขาแจ๋วเลยบรรยายอู้ละเอียดละออถูกสภาวะร้อยเรียงมหาเจ๋งเลย แม่ท่านมหาอารหันต์ท่านบรมอรหรันต์นะอย่างกับอรหันต์ใหญ่เลยนะมันยายเจ๋งเลยแต่ไม่จริงไม่มีสภาวะไม่ได้ต้องรู้จริงตามจริงให้ได้จริงๆ จ, งจึงจะเป็นผู้เข้าถึงเป็นผู้รู้จริงนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ชาติพบชรามรณะน่าจะตัดออกไปนะตัดออกไปทิศหนึ่งเลยชาติชรามรณะโศกกับพระิเทวทุกขโทมรณะต่างกัไปทางหนึ่งส่วนนี้ชาติย้อนทวนมาชาติพบ นะชาติพบอุปทานตัญหาเวทนาเวทนาก็มาไล่เข้ามาหาจิตแล้วเราก็เรียนอยู่แล้วสติปัฏฐานเวทนาแล้วก็บัญญายไปแล้วว่าเวทนาต่างๆ่าตั้งไอทีหลักๆก็คืออ ะ, อะไร ล, ล, ลืมพระบารี18บนแะมะโนปวิจานมโนปวิจารณ์รร18เวทนาที่มาทางต า, งต า, งตางหูจมูกลิ้นกายใจหดขวทวานมันก็แบ่งเป็นเวทนา3เท่านั่นแหละ สุขเวทนาทุกเวทนากับอทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขา3และรู้ลักษณะนะว่านี่เป็นอุเบกขาเวทนาหรืออทุกขมสุ ข, ข, ขนี้เป็นทุกขเวทนานี้เป็นสุ ข, ขเวทนาอาตมาก็อธิบายซ้อนอยู่ทุกทีไอ้อทุกประเภทที่ทุกเรารู้อยู่เห็นอ <ๆๆ S 2> ยู่เราเข้าใจอยู่ว่านี่เป็นทุกขายาอตานางพทงั้งหติเราตั้งตนในความลำบากเป็นทุกอย่างนี้เพื่อกุศลธรรมเราก็เข้าใจว่าทุกอย่างนี้เป็นทุกขภาคปฏิบัติแต่ทุกที่เป็นโลกียะนั่นนะหมายมันยากมันอะไรต่ออะไรต่างๆนานาไม่ใช่ภาคต่อสู้ แล้วเราก็ทุกจริงๆอ่ะทุกเพราะมันยังไม่สิ้นยาวไม่สิ้นตัณหาก็ต้องรู้เวทนาอย่างนั้นหรือสุขก็แบ่งให้รู้ว่าไอ้สุขนี่มันสุขเพราะเสพสมเบโลกียสุขเป็นกาสมาสุขาลิกะไอ้สุขอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องหรอกลดจางคลายไอ้สุขอย่างนี้เนี่ยเป็นตัวเหตุใหญ่เลยแหละแล้วคนก็ไม่เข้าใจก็แบ่งให้ฟังแล้วเวทนาพวกนี้เป็นความสุขที่เป็นอุปสมะหรือวูปสมโอเป็นวุปสมะมันสุขสงบประงับมันว่างมันสงบจากกิเลสเอออย่างนี้สิทธาจุลีมันมาสุข อ่ามูปสโมหรือโอปสมโมนี่ถ้ามันลดละจางคลายมันไม่มีอาการไม่มีอารมณ์เสพสมมันว่างจากกิเลสมาเสพสมด้วยซ้ําเอออย่างนี้สูงอย่างนี้สิมันเป็นยังไงรสยังไงคุณก็ต้องรู้ของจริงเองเวทนาต่างๆคุณก็ต้องรู้จริงๆแล้วมันดับเวทนาได้จริงไหมทุกขเวทนาสุ ข, ขเวทนาอันใดที่เราจะต้องดับแม้กระทุกขายะอัตตานังจงนทั้งไม่ต้องทุกขายะอัตตานัง กุศลธรรมเจริญแล้วมันก็ไม่มีทุกข์อะไรทุกขายัตานังก็ไม่มีตั้งตนอยู่ในความทุกข์ความลาบากอันนั้นก็ไม่มีเพราะมันง่ายมันสบายมันว่างแล้วมันทําได้มันก็ไม่ต้องทุกข์อะไรอีกแล้วเวทนาก็ไม่จะเป็นบําบัดสุขก็เวทนาบําบัดเป็นอามิตรสุขก็ไม่มีอามิตสุขเป็นนิรามิตรสุขไม่มีอามิตรสุขไม่มีสุขที่ต้องเสพสมบําบัดไม่มีก็เป็นว่างๆแล้วว่างนั้นคุณพอใจไหมพอใจก็เรียกมันว่าสุขไม่พอใจก็มันก็ท่านั้นน่ะไม่พอใจมันก็ไม่สุขเลยสิ ถ้ายังพอถ้าพอใจเอออย่างนี้เราเอารถเนี้เอาวิมุติรถเนี่ยเอารถว่างเนี่ยเอารถไม่มีกิเลสเสพสมเนี่ยเราพอใจอันนี้เราก็เอาอันนี้ดังนั้นเวทนาเราก็ต้องรู้เวทนาอย่างนี้คุณปรับเนี่ยสติปัฏฐานสีนี้ศึกษาจิตในศึกษาเวทนาชอนใช้ลงไปในจิตมันก็มีเวทนาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคุณมีกิเลสในสังขาร น, นี่ต่อไปก็มัจจะไปถึงสังขารพจะจาวเวทนาผัสสะมันก็เป็นเพศมา มันมีผัสสะมันจึงเกิดเหตุกระทบทั้งตาหูจมูกลิ้นกายแม้ไม่ผัสสะนอกมันเป็นธรรมารมเป็นโพฐพารมหรือเป็นธรรมา ร, รมข้างในผัสสะข้างในในจิตของเราเองคิดเองเอามาปรุงเองผัสสะข้างในข้างในเราเองหยิบเรื่องนั้นมามาปรุงมากระทบมาสัมผัสในจิตของเราเองเราก็เป็นคนหยิบ เพราะฉะนั้นไม่ไมได้มีมาจากทวารตาหจูจมูกลิ้นกายพบนอกในพวังเองคุณก็ น, นั่งเพลงโน้มจิตไปเอาโน้นอันนี้มาปรุงเอานี้มาคิดเอานั้นมาอะไรก็เป็นผัสสะในพบของคุณเองอะไรละ่ะที่ควรจะได้ดับได้อะไรนี่ท่านไล่มาจริงงมันละเอียดมีผัสสะมีสลายตณนะคือทวารทั้งหมีนามรูปบอกแล้วว่ารูปคือสิ่งที่ถูกรู้นามก็คือตัวรูปนะ จับมั่นคันตายเลย ว, ว่าเ อ, อ้ยสิ่งที่ถูกรู้ตั้งแต่หยาบกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นตัวรูปที่ถูกรู้หยาบแม้แต่ในจิตเองในใจเองและเราก็รู้ว่านั่นไอ้ไอใจน่ะเป็นอาการอย่างไรสังขารที่มันเป็นสังขารที่มีกิเลสสังขารใดไม่มีกิเลสธาตุรู้ที่เป็นวิญญาณวิญญาณใดที่มันสะอาดไม่สะอาดต้องไปอ่านคนคืออะไรจิตเจตสิก ตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่สะอาดไม่มีสังขารไม่มีสหคตังไม่มีไอ้อคุสนสหคตังที่มาปรุงร่วมนี่อะไรอ่ะคุณก็ต้องรู้ของคุณจริงๆจนเห็นว่าแบ่งแยกออกว่ากิเลสนี่ไม่มีชาติไม่มีอยู่ในภพของจิตก็เป็นภพที่เราไม่ให้มันเกิดและเราก็ไม่ติดภพแม้แต่เราได้มูปโสมโอสุขได้สุขอย่างสงบรมงับไม่มีกิเลสแล้วเออเป็นจิตสะอาดว่างก็ไม่ได้ติดมานั่งฝันเพ้ออยู่ว่างๆกับภพ ไม่ไปหาแล้วตาหูจมูกลิ้นกายไม่รับรู้เออช่างมันเถอะว่งกับไ็บ้คนเบลอตาก็เ บ, บ, บลอลอยๆไม่จับอะไรไม่รับอะไรหูเสียงมันมาอะไรมากระทบหูก็ช่างมันเถอะเสียงสักดิ์ตัวเสียงเชยเ ด, ด, ด, ด้อเดอเดี๋ยวคุณก็เดินชนต้นเสาเดินชนรถยนต์รถยนต์พังนะเรามาไปเดินชนรถยนต์เขารถยนต์เขาพังนะ เมื่อเเดิไม่เอาเสียงก็ไม่เอารูปก็ไม่เอาไม่สนใจมันก็บาเท่านั้นเองอ่ะไม่มีสติสัมปชัญญะไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงนี่อธิบายไปให้เห็นชัดเจนว่าเราศึกษานี่เราอันนี้แหละไอ้เป็นตัวปฏิจจสมุปาทเป็นตัวพวกนี้รู้ชัดรู้เจนรู้มีอริยสัจสีรู้ไอ้นี่เป็นอันนี้แล้วก็รู้ว่าเหตุแห่งให้เกิดอันนี้เกิดอยู่ เพราะเราอนุโลมมันต้องให้มันเกิดเพรามันต้องอาศัยเวทนาสังขารวิญญาณมันก็ต้องเกิดอยู่นามรูปต้องเกิดอยู่แต่อะไรจะไม่ให้เกิดไม่ให้ชาติในภพนอกภพในกระทบภาษาตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ตามกิเลสก็ไม่เกิดในสังขารรู้วิญญาณสะอาดเป็นอย่างไรรู้สังขารเป็นอย่างไรสังขารที่มันปรุงไม่มีกิเลสร่วมเป็นอย่างไรวิญญาณที่สะอาดไม่มีกิเลสร่วมเป็นอย่างไร พระอาหารหันต์เจ้ายังไม่ตายพระพุทธเจ้ายังไม่ตายวิญญาณนั้นก็ยังมีวิญญาณนั่นก็สะอาดวิญญาณทัานทำงานเก่งซะด้วยสังขารเก่งซะด้วยเป็นอิทธาพิสังขารนนทะ์ไม่ใช่สังขารเล่นๆ น, นะสังขารอย่างมีฤทธิ์ซะด้วยนะแล้วก็สังขารท่านไม่มีกิเลสนี่มันรายละเอียดที่ลึกซึ้งอย่างนี้จริงๆแล้วเราก็ฟังแต่ว่าเออพูดดุยดื้อมาห ย, ยาบหยาอาตมารู้ว่ามันหยาบ ดับหมดดับสังขารไม่เหลือเลยจึงจะเป็นพระอระหันต์เอาก็พูดกันไปอาตมาก็ฟังเขาพูดฟังแล้วอาตมารู้แล้วแล้อาตมาต้องมาเถียงกับเขานี่เออคนพูดคนก็สอนกันอย่างนั้นมันถึงไม่เจอพระอระหันต์วางหมดปล่อยหมดดับหมดแล้วดับอะไรไ อ, อ้ตัวพูดอยู่นะดับไปยังอะ่ะพูดอย่างกับตัวเองว่าพระอระหันต์ดับหมดหมดดับอะไรหมดมีรายละเอียดอย่างนี้ เพราะเราก็อภัยกันว่าคนที่ไม่รู้เขาก็พูดอย่างไม่รู้อะไรจะพึ่งไปตีกันก่อนก็ได้อาตมาไม่ได้ตีมาก่อนนะอาตมาไม่ได้สัตว์คมชัดสัตว์คมคลามคมคลามเดี๋ยวนี้อาตมาทว่าไปแล้วในกำลังละเอียดที่จะว่าเจาะว่าชัยลงไปสําหรับผู้ที่สอนมาผิดในระดับชั้นสูงเนี่ยอาตมากําลังไล่ละเอียดในระดับชั้นสูงที่จะว่าคนที่ยังสอนผิดพลาดทีอ่อาตมาเอามากล่าวก็ตามคำว่าคํากล่าวของอาจารย์นั้นๆอย่างอาจารย์ชาพูดอย่างที่ว่าเอามาดูเนี่ย มันก็มีบุญดีนะมันก็มีหลักฐานอะไรมาอาจารย์ชาก็ว่างนะั่นนะแม่ตอบแล้วไปตอบใครไม่ไปตอบโน่นไปตอบชาวอังกฤษที่ยังไม่อิโนโนอินเน่ในศาสนาพุทธไหรเลยอว่างว่างหมดถ้าเหลืออยู่จะเป็นนิพพานได้ไงและต้องว่างหมดว่างหมดปล่อยหมดนะแต่ดีอยู่อย่างไม่พูดคาว่าดับหมดแต่ดับหมดตัวอะไรอ้าปากพูดอยู่ในดับหมดมันก็ยังไม่ดับมันยังอ้าปากพูดยังไม่ดับได้ไงอะไรนี่เป็นต้นนะ เพราะมันเลยเถิดไปจากขีดขอบที่จะต้องรู้สมมุติและรู้ประมัตดเพราะสมมุติที่เหลืออยู่ก็สมมุติที่เหลืออยู่เรารู้สมมุติแล้วก็เราไม่ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาแล้วสมมุตินี่ที่จริงปแปล ว, ว่ารู้อย่างต่อเนื่องนะ ร, รู้ยิ่งเหมือนกันนะสมมุตินี่เป็นตัวรู้ยิ่งใช้ธาตุรู้ที่เป็นวิญญาณเนี่ยเป็นอภิน ญ, ญานี่ยมันอยู่ด้วยตัวรู้อ๋อไอ้นี่ไม่ใช่เราแต่มันก็ต้องเป็นเราเป็นพระอรหันต์เจ้าท่าว่าตัวตนไม่ใช่เราก็จริง แต่ก็ต้องเป็นท่านนั่นแหละถ้าท่านอาศัยอันนั้นอยู่นั่นแหละท่านก็จะเลี้ยงดูรักษามันไปพออาศัยซึ่งจะสร้างสรรค์อะไรก็กว่ากันไปเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเรียกว่าอุปาธิจึงเรียกว่าตัวที่เหลืออยู่สเสะสษาแปลว่าเหลืออยู่อุปาธิแปลว่าเรื่องขอต้นที่อาศัยต้นรากอาศัยนันจะไม่บอกว่ากิเลสไม่เหลือเท่านั้นอธิบายด้วยโมหานก็ได้บอกว่าสุปาธิเสสษาเรียกว่ากิเลสยังเหลืออยู่ อนุปาทิเสสนิพานนิพานที่หมดกิเลสแล้วก็ได้โดยโวหารแต่ที่จริง ม, มันอธิบายให้มันหมดไม่ได้แล้วประเดี๋ยวมันก็และอะไรที่เหลืออยู่แล้วเอาอะไรอีกหรือตนี้อนุปาทิเสสนิพานท่านเรวดับไม่เหลือแล้วแล้วทําไมร่างกายมันเหลืออยู่ล่ะท่านก็บอกกิเลสมันไม่เหลือก็เถียงได้นะไม่มีปัญหาอะไรถ้าจะเถียงกันเมื่อไรมันก็เถียงกันได้นะแต่โดยจริงแล้วตมาเห็นว่าโบราณอาจารย์ท่านว่าไวในดีสาวุปาทิเสสนิาท่านแปลว่า ดับหมดแล้วซึ่งกิเลสแต่ยังเหลือขันท่าก็ออกเอางี้ดีกว่าอนุปาทิเสสานิพานนิพนันธ์ขันท่าก็ตายด้วยก็น่าจะดีนะมันเข้าใจได้ง่ายกว่ามันจะเป็นชาติก็ต้องรู้ชาติว่าอะไรยังชาติอยู่อะไรยังเกิดอยู่รูปน้ํามขันท่าธรรมดามันเกิดตามความเป็นจริงของมันให้อาหารมันไปมันก็เกิดจิตวิ ญ, ญญาณมันก็ยังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันอาศัยขันท่ามันอาศัยกันและกัน มันก็อาศัยไปแล้วมันก็สร้างสรรค์ไปเป็นคุณเป็นค่าเป็นประโยชน์ชาติก็มีอยู่และภพก็มีอยู่แต่ภพกับชาตินั้นไม่มีแล้วที่มันเป็นกิเลสกิเลสไม่มีภพไม่มีที่อาศัยไม่มีแดนอาศัยเห็นอยู่หลัดหลัเดี๋ยวนี้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียววิหารติเข้าถึงสภาพไม่มีภพอะไรไม่มีภพก็กิเลสมันไม่มีภพแล้วมันตายแล้วมันไม่มีภพในอาศัยแล้วก็เราดับจะ มันด้วยความสามารถของเราเราฆ่ามันตายมันไม่เป็นชาติมันไม่เกิดแล้วมันก็ไม่มีแดนอาศัยภพนี่คือแดนอาศัยมันไม่มีนะเรารู้อยู่ว่าไม่มีในตัวเรารับผิดชอบของเราของคุณคุณรับผิดชอบภพของคุณเรบอกว่าภพมัตายไปแล้วเขาหลอกลอยไปนไม่มีลอยแล้วทํามันไม่มีแม้แต่ภพเดียวนี้แล้วมันจะไปลอยไปไหนก็ม่นกิเลมันลอยไปไหนไม่มีแล้วมันก็เป็นอนัตตาคุณจะเห็นอนัตตาต่อเมื่อคุณหมดกิเลสเกลี่ยงในภพไม่มีกิเลส เมื่อในภพของคุณคือภพนอกภพในก็นแล้วแต่เป็นที่อาศัยแดนอาศัยของคุณจิตวิญญาณนี่แหละพูดถึงจิตวิญญาณที่รับรูนะ้มันรับรู้ในภพของเราตามหูจมูกลิ้นกายใจของมันเองมันเป็นภพที่ไม่มีกิเลสไม่มีเมื่อกิเลสไม่เกิดเลยมันก็ไม่มีภพภพคือที่อาศัยกิเลสก็ไม่เกิดมันก็ไม่มีในอาศัยมีแต่ภพสะอาดสอาดมีแต่ภพของจิตรูปนามขันธ์หสะอาดสะอาด เวทนาก็สะอาดสังขารสัญญาสะอาดสังขารสะอาดวิญญาณก็สะอาดสะอาดไม่มีกิเลสแต่มันก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่อยู่ในภพของเราอยู่ในาธาตุรู้อยู่ในแดนที่มันวิญญาณยังเกิดอยู่วิญญาณยังเกิดนะพระหันเจ้าเป็นผู้สะอาดแล้ววิญญาณก็ยังเกิดอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ทํางานสร้างสารรค์ไปมีสังขารไปด้วย จะบอกว่าตัณหาก็บอกอลไรว่ามิภาะวะตัณหานะตัณหาไม่ใช่เพื่อตัวท่านไม่ใช่อยากมาเสพมาอร่อยอะไ ร, ะไรหมดแล้วรถโลกี้สร้างเพื่อผู้อื่นเพื่ออะไรอะไรไปทางนั้นนะท่านเองเพราะนั้นพูดแล้วเหมือนกับยอนแยงพูดแล้วเหมือนกับเอ้มันทําไมมันว่ามีก็ว่าไม่มีก็ว่าว่ามีหรือไม่มีกันแน่ฟังไหวไหมอาตมาว่าไหวนะ เพราะว่าอาตมาว่าอาตมาวิเคราะห์ไว้ชัดไอ้ที่มีคืออะไรไม่มีคืออะไรเหมือนก็เอาทุกมาอธิบายอะทุกนะที่อธิบายไปแล้วโอ้ทุกอย่างไรแล้วมันต้องอาศัยทุกอย่างไรมันต้องมีทุกอย่างไรเราจะจะดับให้สิ้นให้ขาดทุกอย่างไรไม่ต้องไปถึงมือพระพุทธเจ้าหรอขีมหมายงั้นเนี่ยไปดับทุกอย่างอย่างนั้นไม่ต้องใช้พระพุทธเจ้าสอนก็ได้นะเป็นอะไรเป็นต้นทุกอะไรที่ไม่ต้องใช้พระพุทธเจ้าเนี่ย พอไม่ค่อยได้ใช้พรบรีพนิชคินลืมซะแล้วได้ทุกอะไรนิพพัททุกใช่ไหมปวดปัสสวะปวดอุจจาระนี่จะใช้พระพุทธเจ้าสอนทําไมดับทุกอย่างนั้ยนะไม่ใช่เรื่องหรไม่ต้องไปหนักหนาสากันอะไรหนักมือไปถึงพระพุทธเจ้าอะไรกันมันก็ต้องมีทุกอย่างนี้แม่พระอรหรกกันต์เจ้าก็ายังทุกพระพุทธเจ้าก็ยังทุกทุกเพราปวดหนักปวดเบาอะไรมันก็ต้องอยังทุกอย่างนี้เป็นต้น อะไรมันจะต้องเป็นต้องมีอยู่ด้วยเหตุปัจจัยอย่างนั้นแต่อะไรที่เป้าหมายพูดได้เดี๋ยวนี้ตั้งแดับสนิทดับจริงๆริสุญญตาศูนย์จริงๆเห็นศูญนั้นเป็นวิหารติรู้อยู่เป็นสยังอภิญญาอุปสัมปัชวิหารติรู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนี้เถียวรู้ยิ่งเองเลยสัญสยังอภิญญาเองจริงๆตอบได้เลยว่าคุณเห็นสุญญตามีสุญญตาอยู่เดี๋ยวนี้เห็นอยู่เดี๋ ynn ี้เลยไม่ใช่ไปเอาไปพูดคํานึงเอาตายไปแล้วค่อยศูนย์ ไม่ต้องตายไปแล้วเป็นๆ น, นี่แหละรู้สูนี่เรียกว่าเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้แม่เดี๋ยวนี้เอหิปัสสิโกเรียกให้มาพิสูจน์ตามก็ได้ถ้าคุณทําถึงคุณก็เข้าถึงได้คุณก็ได้คุณเข้าถึงยังไม่ได้คุณจะบอกว่าไม่มีคุณยังทําไม่ถึงก็ฉันมีผู้มีด้วยกันท่านก็บอกเออพระอาหารหันเดวยกันท่านก็บอกยักคิ้วให้กันมีใช่ไหมมีพระอาหารหันท่านก็ยักคิ้วให้กันได้เลยก็ท่านมีจริงๆท่านได้จริงๆท่านไม่หลอกใครหลอกพระอาหารหันนั่นจะไปหลอกทําไม ท่านเข้าถึงจริงเข้าถึงได้ท่านก็นได้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ได้เมื่อตายไปแล้วตายไปแล้วไม่มีนิพพานนะผู้ได้นิพพานได้แต่แต่เป็นๆ น, นะเพราะพระอรหันต์เจ้าจริงๆนี่จิตวิ ญ, ญญาณตายแล้วไม่มีอะไรแล้วนี่วิญญาณก็สูญหายสลายไปไม่มีตัวตนเอาวิญญาณที่ไหนไปรับนิพพานไปเสเวยสุขเนี่ยปรมังสุ ข, ขังนิพพานัางปรมังสุ ข, ขังก็อยู่ได้ตัวเป็นๆ น, นี่ที นิพพานมันสุขยังยิ่งหรือยิ่งกว่าสุขอะไรก่อนตรงนี้ยังไม่มียังไม่แตกธาตุดับขันยังไม่สลายไปเนี่ยมันก็มีเป็นผู้รับอยู่ตรงนี้ทางด้านฤาษีลิงดําก็บอกเออนิพ e พานังปรมังสุ ข, ขังถ้าตายไปแล้วไม่มีเมืองนิพพานแล้วใครละเอาไปสุขนั่นท่านก็ว่าไปโน่นเหมือนกัน <laughs> ท่านก็ว่าวิญญาณมันยังมีเมืองนิพพานมันมีก็ตายแล้วท่านก็ไปเสเวยเมืองนิพพานไม่งั้นนิพพานังปรมังสุ ข, ขังจะไปอยู่ไหนล่ะใครละไปรับปรมังสุ ข, ขัง มันก็ต้องมีเมืองนิพานให้ไปรับอย่างนั้นท่านรูาสีหนึ่งดำท่านกระวังท่านไปอีกแควหนึ่งคนเราแควน <c oughs> ไ, ไหมอัตมาเข้าใจที่ท่านพูดเนี่ยอัตมาเข้าใจตมาก็พูดสู่คุณฟังเนี่ยออคนเข้าใจอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆกนะันนะนแล้วใครลราพิสูจน์มาบอกอะเป็นวิทยาศาสตร์าศาสนาพูดเป็นวิทยาศาสตร์ตายไปแล้วไปอยู่เมืองนิพานแล้วมาบอกอ ก็มีมนุษมายิทธิสีนั่งหลับตาเข้าไปนี่เห็นไหมเนี่ไปพบคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้มาบอกคนนั้นเป็นนิพพานแล้วเรียกพระพุทธเจ้าเนี่ยมาพบไปไหว้พระพุทธเจ้านวนแน่ไม่เลยไม่รู้จกักจบจากสิน้นพระพุทธเจ้าก็ยังมีตัวตนอยู่อีกเรียกมาพบยังได้เลยเขาไปกราบพระพุทธเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าอเจอพระพุทธเจ้ายังขอพอรท่า น, นสิไม่ถ้าเจอพระพุทธเจ้าจะต้องได้ขอพอรอะไรยากนะขอให้ท่านแมคนอย่างผมนี่วิสัยอย่างผมนินะ มันจะสอนอะไรมันจะทําอะไรไม่ขอให้เร็วๆจะเอาอาหารหันชาตินี้นะจนบุญเจ้าจะขออะไรอื่นกนะ็ขอสิ่งพิเศษทนะี่นะให้บรรลุพื่ออรหันต์เร็วๆเนี่ยนะเอาตัวเนี้ยคนอย่างผมนี่ไม่รู้แะไรทั้งก็รู้นี่นะท่านจะต้องอยังรู้มีอภินญญาต่างๆมาพุญเจ้าเอาหน่อยคนอย่างผมคนอย่างดิฉันเนี่ยเอาเลยมันก็ไปคนละแควนะอัตมาเห็นว่าอย่างนั้นมันเป็นเรื่องลวงเยอะมันเป็นเรื่องลวงเยอะ มันเป็นเรื่องไม่จริงตั้งแต่ต้นว่าพระพุทธเจ้ายังเหลืออยู่นี่โอ้ยังอุตส่าห์ทรมานพระพุทธเจ้ามาเห้ปบรรลินพานทั้งทิยังอุตส่าห์ให้ยังมีตัวมี ต, ม ต, มตนอยู่เลยอาละอ่าบรรยายในเรื่องอันนี้ขยายความอะไรต่อะไรเพิ่มเติมขึ้นมานี่ก็ขอสรุปให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเรานี่ท่านให้รู้ความจริงให้เกิดการศึกษานะครูก็จะสอนอย่างอาตมาสอนนี่แหละให้รู้ชาติก็ดีชรามารณะให้รู้จริงตามเป็นจริงจริงๆอะไรราชาต ชาราก็อัตมาก็ยังมีพระพุทธเจ้าเองก็ยังมีชารายังมีมรณะแต่ตัวชารามารณะที่มีนั้นคืออะไรต้องรู้สิ่งมีที่เป็นจริงสิ่งที่เราจะหมายให้ไม่มีที่เป็นจริงอะไรก็เน้นแล้วว่าคือกิเลสมื่อกิเลดับแล้วกิเลดับสนิทจริงๆไม่เกิดอีกจริงๆเป็นธรรมดาอากุปาเจโตวิมุตติวิมุตติคือเป็นความดับ วักอากุปาเจโตวิมุตตไม่มีการกำเริบไม่มีการเกิดใหม่อีกแล้วเห็นความไม่เกิดอยู่เดี๋ยวนี้เห็นความตายสนิทอยู่เดี๋ยวนี้ไม่มีชราอีกไม่มีมรณะไม่มีโสกกาปริเทวะอีกไม่มีไม่มีพบของกิเลสกิเลสไม่มีแดนอาศัยเลยแต่เรามีพบของพระอริยเจ้ามีเมืองนิพพานเมืองนิพพานอยู่ในคนเป็นๆ น, นี่พระอรหันตเจ้านี่มีเมืองนิพพาน พระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้ามีเมืองนิพพานตายจากร่างรูปนามขันหานี้แล้วไม่มีเมืองนิพพานพระอรหันต์ก็ไม่มีพระอรหันต์จะไปมีนิพพานต่อตายแล้วก็ไม่มีตายแล้วทุกอย่างเลิกรากันไปไม่มีเหลือนะเพราะฉะนั้นจะไปว่าถึงอุปทานก็ต้องเข้าใจลักษณะอุปทานเป็นอย่างไรตัณหาก็ต้องรู้ละเอียดลงไปการมตัณหาภาวัตตัณหาวิภวัตตัณหาเป็นอย่างไรตัณหาถ้าจะเรียกโดยโวหาร ตัณหาอะไรเป็นที่อาศัยรู้เวทนารู้ว่าเวทนาอะไรเป็นอาศัยฐานนิพพานเวทนาเป็นอุเบกขาตเวทนาเนี่เป็นฐานนิพพานนะแต่ถ้ายังติดอยู่เป็นอุปกิเลส น, นะเวทนาเนี่เป็นวิปัสณูปกิเลส น, นะถ้าไม่ติดรู้ว่าเวทนาก็คือเอาระเวทนาก็เป็นความรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกไม่ได้ติดยึดอะไรคุณก็อาศัยเวทนาเท่านั้นเป็นฐานนิพพานรู้ผัสสะรู้เท่าทันผัสศรตาหูจมูกลิ้นกาย ใจพรรษายัางไรสาระยะตนาะอายตนะทั้ง6นอกในอย่างไรรู้จริงจริงนามรูปสิ่งที่ถูกรู้เป็นรูปสิ่งที่รู้เป็นนามมันรู้จริงๆรู้ละเอียดไปทั้งหมดวิญญาณคืออะไรวิญญาณที่มีกิเลสสังขารร่วมอยู่วิญญาณที่มีการไม่มีอะไรสังขารเป็นวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์เป็นอย่างไร คุณก็ต้องรู้ตามเป็นจริงรู้ยิ่งเองเป็นปัจจุบันไม่ใช่ไปเอาเมื่อโนโนุนเมื่อนีเมื่อไหนก็นแล้วแต่ไม่เอาเอาเดี๋ยนี้ให้รู้เดี๋ยวนี้เข้าใจเดีย๋ยนี้พูดเดี๋ยนี้ก็มีลักษณะนี้เป็นพระอรหันต์ท่านพูดถึงอะไรมีอันนั้นอยู่นะมีสังขารรู้สังขารสังขารใดดับสังขารใดอาศัยเป็นปุญญาพิสังขารอันใดเป็นสังขารเป็นอปุญญาพิสังขาร นะพระพุทธเจ้าเราเรียกอิทธาพิสังขารถ้ามีวิสังขารในระดับอิทธาพิสังขารของท่านก็ทกว่าไปพระพุทธเจา้าสําหรับเราเราก็อาศัยแค่ปุญญาพิสังขารส่วนอปุญญาพิสังขานนั้นเราไม่ปรุงแล้วคุณต้องรู้ว่าคุณไม่ปรุงได้จริงๆไม่มีสังขารนั่นคืออปุญญาวิพิสังขารไม่มีส่วนที่ปรุงเป็นบาปอัปุญญาพิสังขารส่วนปุญญาพิสังขารเรามีพระอรหันต์เจ้ามี นี่เรื่องวิสังขารมันก็ใหญ่อย่างนี้เป็นต้นมันก็มีนิโวหารเหล่านี้หรือภาษาคำความเหล่านี้อาตมาก็เอาของจริงมาพูดไม่ได้มาพูดเราเองท่านมีมาแล้วใช้มาแล้วมันก็พยายามเรียนรู้ไม่เรียนรู้อะไรหรอกเราเรียนรู้ปฏิจสมุบาเพราะฉะนั้นจะรู้จากปฏิจสมุบาทนี้ก็จะต้องพบครูแล้วก็ศึกษาแล้วก็เพียนเพียนจริงๆเพียนอย่างเจลักษณะนั้นแหละ หลวงพ่ออาจัรย์ตรัสไว้นั่นเป็นของจริงรู้ลักษณะอาการว่าเราเพียนอย่างไรเพียนอย่างโยคะเพียนอย่างฉันทะเพียนอย่างอุตโลหิเพียนอย่างอัปติวานิเพียนอย่างอาตปะเพียนอยใช่เพียนอย่างอาตปะเพียนอย่างวิริยะเพียนอย่างสาตจักรเพียนอย่างไรก็อธิบายไปแล้วก็สรุปให้ฟังและต้องมีสติสั ป, ปชัญญะ อ ป, ปมาทะยาประมาทมีสติเป็นโพจนชงมีสัมปชัญญะเป็นบทปฏิบัติมีความรู้วิจัยทรรมอยู่มีสัมปชัญญะแล้วก็จะเกิดปัญญาอาธิปัญญาเรื่อยๆไปจริงๆหรือเป็นอภิญญานั่นเองนะเราสำหรับวันนี้ก็ขอแสดงธรรมเพียงตัวนี้